เเกรเซียนกันเลยครับขอเชิญทุกๆคนเลยครับมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ <c oughs> ก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญนะเดี๋ยวเราจะการาบพระครูพร้อมกันสามครั้งนะครับแล้วผมก็จะอา่าจะอา่อานอ่านสินนะ่งที่เราทำนะครับแล้วก็แล้วก็มีตัวแทนของชาวชุมชนนะครับถวายตัวอย่างนะฮะ บางสิ่งบางอย่างให้กับพ่อครูนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากลาพร้อมกัน3าครั้งนะครับ ขอกาบนมัสการพ่อครูสมณะโทธิรักษ์สมณพราหมณ์ชาวอโศกสิคมาศอย่างนี้เหรอเอาใหม่ก็ได้ก็ขอกาบนมัสการพ่อครูสมณะโทธิรักษ์ ท่านสมณะพามชาวอาโศกท่านสิกขม้าชาวอาโศกทุกรูปทุกท่านนะครับวันนี้นะชาวชุมชนปฐมโศกเนี่ยก็พร้อมกับญาติธรรมนะชาวอาโศกทุกคนทุกท่านนะก็มีการจัดพิธีที่สําคัญซึ่งก็คือการถวายสังฆทานนะให้กับภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทุกท่าน นะครับทีนี้ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนปฐมปร ะ, ระสคทุกๆคนนะที่ช่วยบริจาคหรือว่าสละเงินเล็กๆเ ล, เล็น้อยนะฮะ บ, บางคนก็มเีเขาเรียกว่ามีผ้าก็เอาผ้ามาบริจาคบางคนมีแรงนะก็ช่วยสละแรงนะหรือบางคนมีอัถบริการอื่นๆ ที่มีความจําเป็นต่ อ, อนักบวชนะส ม, มณพราหมณ์แล้วก็สิกมามานะครับก็รวบรวมกันมาบริจาคดังที่เราจะเห็นได้จากที่บนโต๊ะนี้นะครับทีนี้สิ่งที่บริจาคมาเนี่ยก็จะมีสบงอังสะผ้าคลอ <c oughs> นะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าจากโรงงานนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกระติกน้ําร้อนนะครับ นะถ้าของใช้อื่นก็จะมีพวกน้ำมันมารุมนะน้ามันโฟล์ลนะ์อะยหรือว่าจะเป็นอของที่ระลึกซึ่งสำคัญมากก็คือวันนี้จะมีเข็มกลัดที่ระลึกนะครับที่เข็มกลัดที่ระลึกเนี่ยก็จะเป็นรูปพญาแรงแล้วก็จะมีตัวเลข80แล้วก็30นะิบก็หมายถึง 80, 80ปีของพ่อครู สมณพโพทิรักษ์นะฮะแล้วก็30ก็หมายถึง30ปีของชาวชุมชนปฐมอโะสคนะครับนอกจากชาวชุมชนปฐมประสงค์แล้วก็ยังมีมีจากทุกที่ยติธรรมจากทุกที่นะครับที่ได้อุทิศจตุปปัจจัยและก็สิ่งของมาร่วมกันถวายสังฆท า, านในครั้งนี้นะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยทุกๆคนเลยนะครับ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการเป่งคำว่าสาธุครับสาธุครับอันดับต่อไปขอเชิญตัวแทนอ่ก็ข อ, ขอเชิญะตั ว, ต, วตัวแทนที่จะถวายสังฆทานนะซึ่งเป็นเป็นบางอย่าง้นานี้เลยครับเชิญทางด้านนี้เลยครับรครับงานนี้เป็นภาพริงไม่ได้มีเงินสอดไส้นะครับคับ <c oughs> อ่ะขอเชิญพ่อดีแล้วอ่ะขอเชิญพี่ต้อยครับแล้วก็ขอเชิญแม่ๆ่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับก็คือเข็มกัดพญาแรงเชิญทุกทุกท่านเลยครับเชิญทุกทุกท่านค่อยๆเดินนะแม่นะดูตัวแทนันนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับนะสังเกตดูนะจะมีลักษณะการเดินพิเศษนะ คือเดินไม่ตรงนะครับลักษณะนี้เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนครับคือเดินไม่ตรงครับอนุโมทนาสาธุาสาธุเดี๋ยวพอเสร็จพิธีแล้วเราจะกราบพระครูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ ใช้ใหม่ใช้ใหม่เียมตัวกาบครับเดี๋ยวโฆษณาเล็กน้อยนะครับเข็มกัดพยาลนันเนี่ย จะเป็นเข็บกัดที่ชุบทองนะครับนะซึ่งได้เตรียมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเพียงพอสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานนะครับไม่ต้อง<น>แย่งกันห้ามเวียนเทียนชุบทองฝังเพชรด้วยครับตน่แน่ตะกร้าก็สานเองด้วยนะเอามาโอ้โหหลายตะกร้าจริงเนาะโอ้ะแจกหมดั้ยเนี่ย อ่าเสร็แล้วไปกลับข้างล่างโน้นเขาไปทยอยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมากันอีกเยอะครับได้ทำเพราะว่าพรุนี้ก็เขาว่าไม่ครับวันนี้เราโชว์โอกาสคนไม่เบียดไม่คับไม่ขับไม่ขัง เ, เอาก่อ <c oughs> ่า <c oughs> เราไปกากข้างล่างไปกลับข้างล่างไป <c oughs> เออจะได้ไม่ขับข้ง <c oughs> างอ่า นี่ทางเทคนิคได้เลยนะ อ, อออากาศเลยไหมอ้มยังได้ไงวิดัรรณขาจะไม่ตัดเลยเนี่ยโอ้ยังไม่ยอมจบเอามามามามามาความอุดมสมบูรณ์อ้าว โ, โหนี่แหละนี่เลยของเราอย่างนี้แหละประโจกเรานี่ชัดเจนแน่นอนของจริงไม่ใช่ของปลอม สดสดไม่มีแห้งอของแท้อ้าวเชิญอีกไม่กี่นาทีแล้วจะออกอากาศรายการเทศก่อนชั้นแล้ววันนี้อตอนนี้9กโมงสี่นาทีการเสร็จพิธีครับ ต่อไปใครยังไม่ได้หนังสือเนี่ยไปขอรับซะ้ะค่าบุญคือบาปนะอัตมาอ่านทวนอีกทีนึงแล้วเนี่ยโอ้โหยังนึกอยู่เลยใครเขียนเนี่ยโอ้โหเขียนดีจริงๆเอ้าเริ่มต้นแจกมา เชิญให้ทำเข้าแถวรับของที่ระลึกจากพ่อครูนะครับเชิญเลยครับที่อยู่ข้างนอกนะครับอาอย่าตีกันอย่าตีกันเอาวางเลยวางอวางอแ่มือเอาล้วไปสาบข้างนอกไปาบข้างนอกสาบที่นี่เด้ ไงก็ให้ผู้เท่าก่อนนะครับผู้เท่าก่อนไจะได้ไม่ต้อง ร, รอนาน การถวายของโดยไม่กําหนดบุคคลไม่กาหนดบุคคลหรือแม้แต่ของก็ไม่กำหนดของมาถาว่างั้นคือเช่นว่าไม่กำหนดของนี่ก็คือว่าเช่นว่าโอ้ท่านขาดแคลนได้เราก็ต้องบอกว่าเอาได้ขาดแล้วก็หาขาดมาไปหาได้มามาถวายเพราะท่านขาดได้กำหนดได้ท่านขาดสบง หาตะวงท่านขาดกุติก็หากุติอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ส่วนการสังฆทานเนี่ยแล้วแต่จะมะีจะมีอะไรก็ไม่กําหนดของของที่ถวายได้ส่วนของที่เป็นของที่เรียกว่าห้ามแต่ต้องท่าเรียกว่าอะไรล่ะภาษาท่านเรียกว่าอะไรของอไม่ไม่ควรมา อะไรอะอะอะอะไรอันนั้นวัตถุนามาสวัตถุนามาสเออของที่เป็นวัตถุอนามาสไม่ให้พระยามาแยกเช่นดอกไม้เงินทองอย่างนี้ผู้หญิงอย่างเงี้ยเอามาถวายพระไม่ได้เหล้ายาอะไรอย่างงี้เอาถวายพระไม่ได้เป็นวัตถุนามาสนี้เป็นต้นแม้ดเต็ดอกไม้นี่ก็ถูกเทียนนี่เป็นของวัตุนามาสทั้งนั้นแหะแต่ทุกวันนี้มันฟันเฟือไปหมดแล้วาศาสนานก็ไม่รู้ว่าความถูกความผิดเป็นยังไง ถวายได้ที่ไม่ใช่ของวัตถุนามาตรแล้วถวายไม่กําหนดบุคคลอีกเรียก ว, ว่าไม่กําหนดบุคคลสังฆทานไม่กําหนดของไม่กําหนดบุคคลบุคคลหมายความว่าไม่กําหนดว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นองค์ไหนองค์ไหนเป็นเจ้าคุณเป็นคนคนธรรมดาเป็นพระธรรมดาเป็นพระหลวงพ่อหลวงปู่หลวงหลานอะไรมแม่เนนก็ไม่กําหนด ถวายไปได้ถ้านพบท่านก็ถวายได้ทุกองค์เรียกว่าไม่กําหนดน้ำได้เป็นทั่วไปทุกคนทุกองค์แล้วก็ของทุกอย่างไม่ได้กําหนดอย่างนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานกี่ครั้งก็ได้สังฆทานจะถวายได้ด้วยไปะจะไหว้เมื่อไหร่ก็ไดถ้ถวายสง์สังฆทานก็คือของที่ให้แก่สงอภิกรรมข้าง น, นอกเวลามันเข้าข้าง อ่าไปกราบข้างนอกอ่ากราบตรงนี้ติดครับข้างโน้ที่นี่แออัดโอ้โหจราจรแย่เลยเอาเร็วนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่งอา้าวลบอ้าวอ า, อามีอื่นอีกนีปกคลอ่าานอะไรปกปิกกอา่าทานอะไรกอนอรก็จำไม่ได้ฟื้นไม่ขึ้นตอนนี้ภาษาบัญญัติก็เอาเอ า, เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอา่า เหมือนกันเยจะเข้ารายการแล้วเอ้าเดี๋ยวพวักเบ้นเดี๋ยววเ้นก่อนงั้นเดี๋ยวต่อใหม่อ่าฮเข้าสดอยู่หรออาเอาตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนตัดรอบก่อนงั้นนะเอาตัดรอบก่อนาตัดตัดตรงนี้ตัดก่อนตัดก่อนขออนุญาตสลายมอบครับอาพักเดี๋ยวเสร็จเจลรายการก็รับใหม่ อ้าววัดสัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนอรอบก่อนต้องขอโทษไว้เสร็จงาแล้วมาต้องขอโทษยติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับี่อ้าวเดี๋ยวไปไปไปหลังหลังจากเสร็จนี่หลังจากเสร็จนี่อ่ามึงรีบสิอ้าวเร็วเร็วเรอ้าวนั่งเข้าที่เข้าที่ฟังเทศฟังธรรมก่อน อ้าวพร้อมเดี๋ยวอัตมาจะเริ่มรายการนะตอนนี้ออกอากาศสดๆไปแล้วเป็นบรรยากาศของธรรมชาติบรรยากาศของงานมหาปรณานะครั้งที่32นะของชาวาโสกนะและก็เป็นวันครบรอบเขาก็พยายามจับอ า, อายุอัตมาเข้าไปผนวกเป็นวันครบรอบ80ปีนะ รขบรอบ80ปีกำลังย่าง81แล้วตอนนี้81ปีเกือบจะ6เดือนแล้วนะถ้าถึงวันที่5ธันวาคมนี่ก็6เดือนอ80ปี6เดือนเลยถ้าเลย80ปีเลยวันที่5ธันวาคมไปปั๊บเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น81ได้เลยต้งนับ81เพราะมันครึ่งของปีแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีเราก็เรียก80ไปก่อนพ้นเลยวันที่หทธันวาคงก็นับ81ได้มันเลยครึ่งมันเลยไปปีของ81แล้วแล้วก็ฉลอง30ปีของปฐมโศกด้วยอ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือมันจะถึงเจพฤศจิกายนวันนี้วันที่ะอะไรโอเจ็ดพฤศจิกายนอีกเป็นวันครบ เต็ม44ปีเต็มในวันบวชเขาอาอตมาอีกตั้งหากครบ44ปีเต็มของการบวชมาขึ้นปี4 5เพราะอาตมาบวชวันที่7พฤศจิกายน2513อ่าพรุ่งนี้ก็เริ่ม4ีห้าแล้วเป็นปีที่4 5่ส้าและบวชมา44ปีเต็มวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งละ ว, วันนี้วันบวชไงวันที่7 เต็มก็เต็มเมื่อวานนี้วันที่หวันนี้ขึ้นวันที่7ก็คือวันใหม่ของวันบวชนะเป็นวันที่ 4, ปีที่สี่สิบห้าแล้วโอ้วันวันครบรอบหลายๆอย่างเนาะอ้าวไหวพระก่อนอื่นนตอนนี้เราออกอากาศไปแล้วนะเราก็เป็นธรรมชาติของพวกเราชาวโศกชาวบ้านชาวช่องเราก็เปิดเผยให้เห็นความจริงเราไม่มีการ ดรามา่านะเราไม่มีการแอคอาร์ตอะไรเ ร, เรามีของจริงทั้งนั้นนะสดยังไงมีจริงยังไงเราก็ว่าของเราไปตามประสาชาวโง่เราผูนะ้ที่มาพรักพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไหว้พระนะ ต, ตั้งใจดีๆการไหว้พระอาตมาก็ขอย้ําหมอกกล่าวอีกว่าไหว้พระก็คือระลึกถึงพระการระลึกถึงพระ เรานอบน้อมต่อพระเรียกว่านะโมนั่นโมแปลว่าความนอบน้อมการนอบน้อมนะนอบน้อมก็นอบน้อมทั้งกายมือประนมนี่เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อกายแล้วก็จะกล่าวด้วยวาจาคํากล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตนั่นแหละนอบน้อมต่อพระพุทธธรรมประสงค์ต่างๆกายแล้วก็นอบน้อมวาจาแล้วก็กล่าวคานอบน้อม ใจนี่เป็นตัวสําคัญส่วนมากไม่นอบน้อมจริงตรงใจนี่แหละมือประนมปากก็กล่าวนโมตัสสะปากวับตัวคล่องปากเลยไม่ต้องเอาสติมากํากับมันก็เป็นอัตโนมัติพอจําแม่นคล่องปากได้เลยเป็นอัตโนมัติได้นะแต่ใจเป็นลิงใจไม่ได้นอบน้อมเลยใจไปไหนก็ไม่รู้นะ้าไปหาเรื่องเป็นกามเป็นพยาบาท เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอะไรไป้ายแล้วเถอะไปหมดมันก็แย่นะพูดกับพระนอกน้อมกับพระท่านว่าหน้าไหว้ใจหลอกหน้าไหว้ใจหลอกไม่มีอเนิสง์บอกได้เลยว่าไม่มีอเนิสง์เป็นการหลอกด้วยซ้ำหน้าไหว้ใจหลอกเพราะใจจึงเป็นสําคัญเราจะต้องใจจริงว่านอบน้อมแม้นิดหนึ่งก็ยังดีแต่พอระลึกได้โอ้เราต้องนอบน้อม ขนาดนั้นยังดีนะยิ่งนอบน้อมไปตลอดเลยที่เราตั้งใจนอบน้อมต่อพระพุทธธรรมประสงค์กล่าวไปเราก็มีจิตจริงจริงหรือจิตนอบน้อมทําจิตหัดทําหัดทําจิตนอบน้อมทาอย่างไรการนอบน้อมเนี่ยการที่จะถวายความเทิดทูลนอบน้อมเนี่ยเราก็ทําจิตอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะทุกวันนี้ปล่ยพระก็ไม่มีอเนกสง์ พูดได้อย่างงั้นว่ายพระก็ไม่มีอันนสง่งวายพระก็นาว่ายใจหลอกนะอย่างที่พูดแล้ววายไม่ได้มันเป็นความผิด น, ะนาว่ายใจหลอกแล้วมันก็คือการหลอกลวงมาทำเสแสงข้างนอกทาแต่ใจจริงมันได้ว่ายเลยนะอันนี้สำคัญน ะ, ะตั้งใจว่าเนโมตัสสะภควะโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธสัพนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนตโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธส ทังสนังคตฉามิธรรมังสรนังคตฉามิสังขังสนังคตฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคตฉามิ ทุติยมปิธรรมสรนังกัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ต, ตัทยมปิธรรมังสรนังขจามิ ต, ตัยตติยมปิสังคังสรนังขจามิติสรนกขมณังนิธิตังเจริญธรรมทุกทุกคน วันนี้เป็นวันที่เราจะได้อธิบายจะได้บอกกล่าวถึงการชุมประชุมถึงการประชุมสงเราการประชุมสงเราได้ประชุมกันแล้วเรียบร้อยสำหรับงานมหาปรณนากันปีนี้ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้รายงานบอกกล่าวกับเราชาวพวกเราชาวอโศให้รับรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเกิดขึ้นใหม่มีอะไรที่ยังคงเดิมแล้วเราก็จะดเดินดำเนินไปอีกปีหนึ่ ง, ป, งปีหน้าเราก็มาคุยกันตกลงกันทีเนึงอย่างนี้เราทางกันทุกปีการพรั่งพร้อมกันประชุม การมันประชุมพรั่งพร้อมกันเสมอเป็นความไม่เสื่อมของศาสนาหรือของสังคมเป็นความไม่เสื่อมของมนุษยชาติอย่างแท้จริงและก็ต้องรู้วิธีการการประชุมการประชุมก็คือการระดมสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่า brainstorm ารวมหุสมองคือมาช่วยกันใช้สมองมาช่วยกัน ฟังมาช่วยกันรู้และก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันปรับปรับปรุงมาช่วยกันจัดแจงว่าสิ่งอะไรมันขาดตกบกพร่องมันไม่ดีที่เราจะต้องหยุดต้องเลิกอะไรดวนอะไรที่ก็ชะลอไปได้อะไรอย่างีเป็นต้นสรุปแรกก็คืออะไรที่ไม่ดีเราก็จะต้องจัดการระ ง, งับเลิกอะไรดีทำให้ดีขึ้นยิ่ง อะไรยังไม่ดีก็ทําให้ดีให้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นความรู้ของมนุษย์ชาติมนุษย์มีปัญญาปฏิพันธ์เรื่องนี้เพราะการประชุมกันรวมหัวกันรวมสมองกันมาช่วยกันคิดช่วยกันอ่านแล้วก็มันได้เรียนรู้การลดละตัวตนนี่สําคัญมากการประชุมกันเนี่ยใครคิดยังไงใครคิดยังไงตรงกับความยึดถือของเราไหม อยู่ตรงกับความเห็นของเราไม่ก็ต้องมาหัดเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบพุทธจะต้องมารู้ว่าแม่ความเห็นของเราความเชื่อมั่นของเราความรู้ของเราเรามีมีสิทธิ์ที่จะเสนอเข้าสู่หมู่กลุ่มมันเป็นวิธีการของประชาธิปไตยวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการของประชาธิปไตยโดยตรงเลยทุกคนจิงใจทุกคนมีความรู้ความเห็นช่วยกัน ออกความคิดความเห็นแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยกันอภิปรายกันสุดท้ายเราก็ลงคะแนนเสียงถ้าเป็นเอ ก, กฉันน์หมายควม่าเห็นร่วมกันหมดก็ไม่ต้องไม่ต้องลงคะแนนเสียงถ้ามันไม่เป็นเอ ก, กฉันน์มันจะต้องโหวตหรือมันจะต้องนับคะแนนเสียงว่าใครเห็นอย่างไรแล้วก็เอาคะแนนเสียงส่วนมากในที่ประชุมนั้น เป็นการตัดสินว่าอันนี้แล้วเป็นมตนิเมื่อตัดสินเป็นมติแล้วต้องเอาตามมติใครที่เสนอมาขัดแย้งกันกับมติที่มันได้ออกมามันตรงกันข้ามกันมัดขัดแย้งกันอย่างไรก็ตามต้องละวางตัวตนของตนความเห็นของเราความยึดถือของเราความเชื่อมัน่นความรู้ของเรากอะไรก็ตามแม้มันจะถูก ของเรามันจะถูกต้องก็ตามเลิกหยุดพักให้เป็นไปตามมติที่เขาตัดสินว่าต้องทำตามตามตินั้นดาเนินไปเราก็ไม่ไม่ไปขัดขวางและเราก็ส่งเสริมและเราก็ร่วมสนับสนุนทาด้วยตามมตินั้นเพราะเป็นความเห็นของส่วนรวมเป็นความเห็นของส่วนใหญ่สังคมก็ไม่เดือดร้อนไม่ขัดข้อง มีพลังแรงที่จะเดินไปตามกำลังของทุกคนร่วมกันอย่างเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษของประชาธิปไตยหรือเป็นลักษณะพิเศษขององค์รวมของมวลมนุษยชาติที่เรียกว่าเป็นเอกกับเอกภาพหรือเอโกโอธรรมโมเป็นเอกีภาวะหรือเอโกโอธรรมโมเป็นธรรมะระดับที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่มีความขัดแยง้งไม่ก็มมีเมการขัดแต่ทะเลาะกันวิวาดกันหรือไม่ได้่วงดึงนะแย้งอะไรกันนี่เป็นวิธีการของโลกที่พระพุทธเจ้าพารรมก่อนแล้วทำมาอย่างเรียกว่าสำเร็จบริบูรณ์ในเรื่องของแบบพุทธแม้แต่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช พระพาทธเจ้าตรัตสรูป้ประกาศศาสนาพุทธประกาศท่ามกลางศาสนายังเป็นสมุรณาญาสิทธิราชยังเป็นศาสนาในยุคของธาตุยังเป็นคนยุกธาตุและคนก็ยังไม่รู้จักสิทธิของตนเองไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนไม่รู้จักสิทธิต่างๆสิทธิในข้าของข้าของของเราเรามีสิทธิไม่มีสิทธิสิทธิในการแสดงออก ฉันจะต้แสดงความเห็นบ้างจะต้องพูดบ้างจะแสดงกายกรรมวจี ก, กรรมบ้างมีสิทธิไม่ได้ไม่ได้สักอย่างไม่มีสิทธิในอะไร ต, รต่างๆสิทธิ ก, การแสดงความรู้ความเห็นแสดงความอะไรแสดงเป็นเจ้าของสมบัตินั้นๆในนี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นตนเป็นธาตุอย่างสมบูรณ์แบบแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้ไม่มีความเป็นธาตุ นะยุคนี้ไม่จะสมบูรณาญาสิทธิราชยุคนี้มนุษยชนมีความเป็นอิสระเสรีภาพเต็มรูปแบบหมดความเป็นทาสหมดสมบูรณ์าฬาสิทธิราชรู้จักสิทธิมนุษยชนและสิทธิในอะไรต่างๆที่กล่าวไปแล้วกล่าวๆอย่างนี้เป็นตน้นะจึงเป็นสังคมสมัยใหม่พวกเรานี่เป็นพวกชาวโซนในพวกสมัยใหม่สมัยใหม่มากเลย อาตมาภาคภูมิใจที่เอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทําสําเร็จพขอให้พวกเราก็ทําสําเร็จแม้ว่าพระพุทธเจ้าทําสําเร็จพวกเราก็ปฏิบัติได้มีผลสําเร็จจนถึงขั้นสาธาระโภคีมีลาบโดยธรรมหมายความว่าเราสร้างสรรค์นี่ก็เกิดสิ่งที่ได้เรียกว่าปฏิปติลาโพมีลาบโดยธรรม ทำธรรมปฏิลาโพมีทาบโดยธรรมแล้วมีลาบมีส่วนที่ได้เกิดผลดขึ้นมาโดยสุจริตโดยดีโดยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปแย่งใครไม่ได้ไปทุจริตอะไรมาเลยแต่ลาบโดยธรรมนี้เราได้เราไม่ยึดเป็นของเราลาภธรรมิกาเราได้แล้วเราเอาลาบนี้เข้าส่วนกลาง เรีว่าสาธารณโภคีหลักนี้พุะเจท่านตรัสไว้ในสารณิยธรรมหข้อที่สมีข้อที่หนึ่งเมตตากายกรรมข้อทสองเมตตาวจีกรรมข้อที่สามเมตตามโนกรรมข้อที่สี่ลาภธรรมิกาลาภที่ได้โดยธรรมเกิดโดยธรรมนี้ก็เอามาใส่ไว้ในกองกลางแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เรียกว่าสาธารณโภคี จากข้อ 4, ข้อหข้อหข้อก็มีศมีศีลสามัญตาทิฏฐิสามัญตาอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นหลักธรรมท่านใช้ในสงฆ์ของท่านในกลุ่มสังคมของท่านเพราะสงฆ์กลุ่มสันนงคมพุทธนี่คือวิธีการของวัฒนธรรมก็ดีหลักาการเป็นอยู่ก็ดีอย่างนี้ยุคโน้นทำไม่ได้ในประชาชนทั้งปวง เพราะว่าเป็นยุคธาตุเป็นยุคสมบูรณนายาสิทธิราชเป็นยุคที่คนยังไม่รู้จักสิทธิอะไรต่ออะไรต่างๆดังกล่าวแล้วทำได้แต่แค่ในวงวงแคบคือสงฆ์ที่เป็นนักบวชเท่านั้นแต่มาถึงยุคนี้อัตมาอธิบายไปแล้วมันหมดแล้วเลิกหมดแล้วไอ้ที่เป็น เ, เป็นเรื่องจำกัดขอบเขต อ, อ, อ, อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนอะไรพวกนี้เลิกหมดแล้ว ยุคนี้เป็นยุคอิสระเสรีภาพสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดกว้างทำได้ทั้งประชาชนขอให้มาใช้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้จริงเถอะแล้วมันจะรวมตัวกันเองอย่างพวกเราชาวโศกเนี่ยมันรวมรวมตัวกันเองนะอาตมาไม่ได้ไปเปล่าประกาศว่าเอา้าแล้วก็ไม่มีวิธีการรับสมัครนะใครจะมามาเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ ใครจะอยู่สองวันใครจะอยู่ห้าวันใครจะอยู่นาทีหนึ่ง ห, หนาทีชั่วโมงหนึ่งไปไปออกออกเขา้าเขา้าได้ตลอดเวลา it it. ส่วนใครมาอยู่แล้วขัดแย้งกับวัฒนธรรมหมู่หรือหลักเกณฑ์สําคัญของหมู่ที่ก็กําหนดไว้ก็เหมือนกฎหมายเหมือนกฎหมายเมือ่อผิดหลักเกณฑ์นี้เขาก็ถึงขั้นไล่ออกเขาก็ออกให้ออกไปจากหมู่หรือลงขัน้นลงทันลงโทษเขาก็มีลงทันลงโทษนี่เป็นหลักเกณฑ์ของสังฆ์ทุก ยุคทุกสมัยแม้แต่ยุคสมบุรนายาสิทธิราชก็มีหลักเกณฑ์การลงโทษเหมือนกันนะทีนี้เรื่องของลาพธรรมิกาและก็เป็นสาต า, ธานะรณพโภกีนี่แหละเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐสุดของสังคมอธิบายเป็นภาษาสมัยใหม่ก็แปลว่าเสียภาษีร้อยเปอร์เซน์การเสียภาษีรยเซนเี่ยเป็นวิธีการของโลกของพระเจ้า ก, กับ เมืนเสียภาษีแต่มันสูงกว่าเสียภาษีตรงที่ว่าทุกคนเต็มใจเอาเงินนี้เข้ากองกลางประชาชิทประยก็เรียกเงินมาเข้ากองกลางกำหนดหลักเกณฑ์ของการเสียเงินภาษีคอมมินิสก็เหมือนกันกำหนดกรอกกเกณฑ์ให้คนเสียภาษีนะซึ่งคอมมินิสก็มีหลักเกณฑ์ที่พยายามที่จะให้สุจริต ใครได้มากก็เอามาสใส่ส่วนกลางมากๆใครได้น้อยก็เสียนอ้อยหรือใครไม่มีก็ส่งเคราะ์เกือ้อกูลเลยเป็นหลักก็หลักเหมือนกันคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันประชาธิปไตยก็เหมือนกันแต่หลักเกณฑ์ในการแบ่งอัตราส่วนมันต่างกันเท่านั้นเองคอมมิวนิสต์นี่เ อ, า, เ อ, เอาพยายามที่สุดเลยผู้บริหารนี่ออกฤทธิ์ออกเด็ดแรงมีคณะบริหารเข้ม่ใคร รู้ว่าได้สะไดได้มากตั้งตั้งตัวเลขภาษีเอามากๆเลยเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้แต่ประชาธิปไตยนั้นคณะบริหารกับคณะพวกเศรษฐีพวกคนร่ำรวยมันถวงกันไว้เศรษฐีมันก็อุดเงินอะไรอไไปก็ออกผ่าออกกฎหมายภาษีไม่เอามากจากคนรวยคนไรายได้มาก เดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่ทั่วประชาธิปไตยก็สู้กันอยู่ในสับในสภาการออกกฎหมายเนี่ยก็พยายามแม้แต่ขณะนี้เหมือนกันในรัฐบาลขณะนี้กำลังจะทำเนี่ยก็พยายามที่จะให้มันสมดุลระหว่างคนได้ไดมากก็แชร์ไมให้คนได้น้อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเรื่องของสังคมที่ควรจะต้องทำอย่างยิ่งแต่เพราะความเห็นแก่ตัวความกิ้นเหนียวมันไม่ยอมมันก็เลยเลเทอะไป สิ่งอย่างนี้แหละมันเกิดที่จิตวิญญาณคนที่มีมากก็ไม่น่าจะขี้เนียวแต่มันก็ขี้เนียวเพราะกิเลสของเขามีจริงทีนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมแล้วความขี้เนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันลดลงจนกระทั่งเกิดกลุม่มูงแล้วมีหลักเกณฑ์ของสังคมแบบนี้เรียกว่าวัฒนธรรมไม่ใช่กฎหมายนะอยู่ในเนี่ยชาวสงฆ์ไม่ใช่กฎหมายบังคับ เรามาทำงานในกลุ่มนี้ทุกคนทําแล้วเอาเข้ากองกลางหมดเสียภาษีร้อยเนเนี่ยซึ่งที่จริงๆเรเรียกเสียภาษีก็ไม่ถูกเพราะมันเต็มใจให้ภาษีมันไม่เต็มใจให้เท่าไรนะคนคนเต็มใจให้น้อยแต่มันต้องจําเป็นต้องให้เพราะกฎหมายบังคับไอ้ภาษีนะไอ้นี่มันไม่บังคับทีเดียวแต่เป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ของเขาเป็นที่วัฒนธรรมเพราะคนที่มาอยู่รวมกันที่นี่ก็เลย มีเงินเข้าส่วนกลางเยอะทุกคนจะต้องลดกิเลสตัวเองให้แก่ตัวน้อยรับบริการได้รับสวัสดิการไม่ได้ดังใจทีเดียวก็ตามก็ยอมยินดีเต็มใจก็อยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างก็ทุกคนเราก็พยายามที่จะไม่เห็นแก่ตัวไม่ลาเอียงไม่ลาเอียงก็อันไหนควรก็แจกแบ่งกัน อันไหนไม่ควรก็ไม่ให้อะไรเงี้ยก็มีการดูแลมีนเจ้าหน้าที่จัดสรรเรื่องการแจกการแบ่งการอะไรเหมือน ก, นการกระทังโลกีเขาแหละแต่มันทำด้วยใจที่สะอาดซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไม่ลำเอียงแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกอะไรมากกว่าฝ่ายที่เขาไม่ได้ฝึกจิตแบบนี้ เพราะเราได้ฝึกจิตแบบนี้เป็นจิตที่ละลดความเห็นแก่ตัวละลดความเห็นแก่พวกเป็นคนลดกิเลสสรุปลดกิเลสได้จริงๆมันยังเกี่วสภาพนี้ได้สังคมในโลกเป็นอย่างนี้ได้ยากแต่มันก็เป็นได้ดังที่พวกเราทําได้เนี่ยมันเป็นการแสดงความจริงมันไม่ได้มาทําโกโก้ทำโจ๊กคลาวแล้วก็จะเลิกไม่เลิก นอกจากมันจะเสื่อมโดยตัวมันเองสุดวิสัยก็แล้วไปนะทุกคนพยายามภาคเพี้ยนไม่ให้มันเสื่อมถ้ามันเสื่อมก็สุดวิสัยไปตามลาดับนะรัฐสังคมของทุกประเทศอัตมาว่าต้องการความเป็นจริงอันนี้ลึกๆอันนี้แหละจุดหมายปลายทางอันเดียวกันแต่เขาทาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเรียกว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ ก็ตามนะเขาก็อยากได้แบบนี้แหล ะ, ะเฉลี่ยให้เรียกว่าเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยให้มันได้สัดส่วนที่สมดุลกันอยู่ดีสงบทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคนที่ขาดแคลนที่อาตมาบอกว่าคนที่เขาไม่มีส่วนได้หรือทาอะไรไม่พอเลี้ยงตนจริงๆมันมีอยู่อย่างห้าชนิดที่อาตมาอธิบายซ้าแล้วซ้าอีก หนึ่งเด็กมันทำงานหากินไม่เป็นทำไม่พอเลี้ยงตนไม่คุ้มตัวสองคนแก่ที่แก่แล้วชีวิตร่างกายมันเสื่อมโทมันทำงานไม่หวัดไม่ไหวไม่พอคุ้มกินคุ้มใ้ส่วนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแม้แก่ที่มันยังมีเดียวมีแรงทัท่ก็ทำไปไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาเปรียบก็ทำก็ยังปรามกันเลยบางทีพักเธอคุณทวด คุณย่าคุณยายอะไรว่าไปปู่ตาพักพ่เทออะไรเราก็ดูแลกันหนึ่งเด็กสองคนแก่มันต้องเป็นเด็กมันเกิดมันก็ต้องเด็กก่อนทั้งนั้นอ่ะทำกินไม่ได้แล้วคนเต่อไปยังไม่ตายมันก็แก่หรือคนป่วยคนป่วยมันก็ทำงานไม่ไหวคนพิการเขาไม่อยากพิการหรอกเขาทำไม่ไหว ม, มันพิการมันทำไม่ได้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ไหว แต่ก็เป็นคนอยู่ในสังคมมนุษย์ด้ดยการล ก, กรเราจึงต้องสงเคราะห์ดูแลทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งคนป่วยทั้งคนพิการและคนสมองไม่สมบูรณ์เรียกว่าคนไรสมรรถนะคนสมองไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่แกล่แต่เขาเป็นคนเกิดมาอย่างนั้นอยู่จริงพิการพิการทางความคิดทางสมองห้าชนิดในอัตมาเรียบเรียงแล้วไม่มีมากกว่านี้ครับที่ต้อง แพ่เผื่อแพ่เกลือกูลเชื่อช่วยเหลือกันไปตามธรรมชาตินะบางคนเหล่านี้จะไร้สมรรถภาพนอกนั้นก็คือแล้วแต่สมรรถภาพความรู้ความสามารถของแต่ละบคุคคลก็มีอีกอีกอันหนึ่งเป็นคนที่หกก็คือคนที่เขาไม่ได้แกล้งเขามีภูมิปัญญามันสมองแค่นี้จริงๆสามารถทำไม่พอกินพอใจ สมรรถภาพความรู้ความสามารถาก็กําทํทำเป็นแค่นี้จริงๆทำได้แค่นี้ก็อยู่ในข้อ5นี่แหละข้อหที่เขาเองเขาไร้สมรรถภาพไร้สมรรถนะนะเพราะฉนั้นคนพวกนี้ไม่พอได้บ้างก็ต้องเกื้อกูลเผื่อแผ่เขบ้างตามควรเสริมให้มันมีอยู่อีกสองคนที่มันแทรกอยู่ในนี้ในสังคมเนี่ย เรียกว่าคนเลวคือคนขี้เกียจกับคนขี้โกงคนพวกนี้เนี่ยมันต้องพยายามบีบบังคับให้หนึ่งขี้เกียจก็ให้มันขยันขึ้นทำงานคนขี้โกงก็ให้มันหยุดขี้โกงอย่าไปช่วยแต่ให้มันเปลี่ยนแปลงมันจะไม่พอกินก็ไม่ต้องหายก็มันขี้เกียจแล้วมันขี้โกงแต่ส่วนนี้มันไม่รอก ส่วนมากมันพอกินเพราะมันขี้เกียจได้มันขี้เกียจก็มันหาทางจนได้และพวกนี้ม่โง่นะขี้เกียจเนี่ยยิ่งขี้โกงยิ่งม่โง่ใหญ่เลยถ้ามันโง่มันโกงไม่เป็นหรอกถ้ามันโง่มันโกงไม่ได้หรอกนะเพราะไอ้พวกนี้จนี่จำนวนมากเลยและพวกนี้เนี่ยทำให้สังคมฉิบหายคนขี้เกียจกับคนขี้โกงโดยธรรมะ ก, ก็เป็นคนบาปเขาได้บาปนะคนขี้เกียจก็บาป เด็กๆฟังไว้เลยเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจแต่ผู้ใหญ่ในรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็เชิญเด็กต่อไปแก่แล้วก็ยังจะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเท่าทารกนะแก่แล้วยังสู้เด็กไม่ได้เขาเรียกเท่าทารกอคนยิ่งคิดโกงนี่แหละบ้านเมืองทุกวันนี้ในโลกเลยไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเดือดร้อนเพราะคนคิดโกงแล้วคนคิดโกงนี่มันฉลาด ยิ่งฉลาดยิ่งโกงแนบเนียนยิ่งโกงหลอกคนไม่รู้แเราเขาโกงแล้วโกงหมักหนักโกงมากโกงโอ้โหนี่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเดือดร้อนที่โกงกันเป็นแสนล้านจะโกงกันเป็นล้านล้านเมืองไทยมันได้ถึงขนาดนั้นแล้วเลวจริงๆขออภายัยเธ่ต้องขอพูดสัจภาษาความจริงมันคิดโกงกันถึงขนาดนั้น เพราะมันจึงเป็นเรื่องเร็วร้ายพวกเราต้องพยายามช่วยไม่ได้ช่วยอื่นต้องช่วยตัวเองภาคเพียรปฏิบัติตัวเองให้มีการลดกิเลสได้ให้จริงอัตมาอย่างมั่นใจทฤษฎีพระพุทธเจ้าว่าลดกิเลสได้จริงอัตมาพารรมมาเนี่ยอัตมา อ, อวมาททำงานด้านนี้โดยตรงเลิกที่จะทำงานอาสมบัติให้ตัวไม่เอาแล้วตั้งแต่อายุาสบหก็เลิกออกมาจงกระตั้งเดี๋ยวนี้ 36มาทําได้44ปีบวกเท่าไรแปดปีละก็อายุ80ดสก็มาแต่สามสิมา44่สิบสี่ลังยาก81แล้วก็ยังดีใจอาตมาทํางานมา36ปีนั่นนะก็ยังแบ่งส่วนได้จากโลกจากสังคมได้36ปีเก่าเนี่ยทำงานอยู่ทั้งโลกอาตมาแบ่งส่วนได้จากโลกไม่ได้แบ่งได้น้อยนะแบ่งมากนะ นายกรัฐมนตรีเงินเดือน 8,000 กว่าเดือนละ 8,000 กว่าอัตมาหาได้รายได้หนุ่มนะั้นอายุ20กว่า30เดือนละ 20,000 แล้วทองคำบา400ทละ400เจตมาได้เดือนละ 20,000 แล้วเนี่ยอัตมาขี่รถติดแอร์ก่อนรุ่นเพื่อนรุ่นที่เรียนจบจบกันมาและแอร์ยังไม่เป็นแอร์อย่างสมัยนี้แอร์รถมันทามาตังหาก รถก็ต่างหาแล้วรถยุโรปรถญี่ปุ่นก็ยังไม่มีรถยุโรปเนี่ยไอ้ไดนาโมมันยังเป็นไดนาโมสมัยเก่าอยังไม่ใช่ออสิเนเตอร์มันปั่นไฟไม่ทันแอร์อัตมาซื้อรถให้ก็เอาแอร์ติดใส่เข้าไปขี่รถติดแอร์แต่ไดนามมันปั่นไม่ค่อยทันแล้วไอ้ในกรุงเทพรถมันติดรถมาติดไดนาโมอมันก็เบา ไฟก็ไม่พอดับกลางทางลถใหม่นะลดแอร์ด้วยนะอาตมา ต, ต้องลงมาเข็นรถกลางถนนมันพา ข, ขายนาที่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะเพราะว่าแอร์มันไม่สมดุลมันยังไม่พอมันยังไม่เก่งเพราะมันไม่ยังใหม่ๆอยู่อาตมาก็แมนานำถุงคมอะ่ะโอ้โหไฮโซไฮโซมีเงินซื้อ น, นี่เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เป็นคารวะอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้ทางโลกทางเงินนาทองนาทํางานทําการสู้ทางโลกได้ไม่โกงไม่เกินเขาหรอกอาตมานี่หมุนเงินเก่งธนาคารนี่พอเวลาใช้หนี้หมดปับ๊บใบมาเลยว่าโอ้โหขอบคุณท่านอย่างยิ่งยินดีต้อนรับเชิญไปเบิก ไ, ไปกู้อีกไปยืมอีกเพราะว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีมากทงดอกเบี้ยได้ครบทุกอย่างไม่มีโกงไม่มีกินนะสื่อสัตย์ ก็ชอบธนาคารก็ชอบคนอย่างเรานะพอซื้อสัตว์ดอกเท่าไหร่ก็เสียครบเต็มไม่มีโกงไม่มียือไม่มีชัดดาบนะแต่หมุนจะงเงี้ยหมุนโอ้โหเก่งใช้เงินก็เก่งได้เงินก็มากเหนื่อยเลิกพอปฏิบัติทำพอฟืนรู้ตัวเองว่าไ อ, อย้ยาเราเสียวเวลาอยู่ตั้ง36ปี ก็เลยต้องออกมาทํางานทางนี้อีกสีปีเนี่ยเห็นผลเห็นผลเกิดสังคมชาวโศกเป็นสาธารณโพคีได้สุดยอดสาธารณโพกีนี้ในสมัยนี้จะเท่าความไปหาประวัติศาสตร์ไม่มีประวัติศาสตร์ของยุคที่จะเอามายืนยันอย่างนี้ได้เพราะไม่มีเพราะยุคก่อนนี้มันยังเป็นทาตอยู่หมด มันยังไม่เป็นยุคอย่างนี้เพราะฉะนั้นยุคที่เปสังคมแบบนี้มันผ่านมาเก่ามันเคยมีมาแล้วขอภัยอัตมาบอกไม่ได้หรอกว่ามีมาแล้วนี่เอาเลขตัวไหนมันนับาเท่านั้นปีเท่านี้ปีมันไม่มีปฏิทินแล้วมันพูดไม่ได้อัตมาไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวตั้งจะไปตั้งตรงนั้นลบบวกตรงนี้เอาตรงนั้นเป็นหลักมันไม่ได้มันพูดไม่ได้แต่มันมีในยุคการของ ปัตะสงสารนี่เป็นเรื่องที่อาตมารู้ส่วนตัวเป็นตามขันในอดีตของอาตมาอาตมาก็มีสิ่งรู้วันนี้นะก็มาเล่าสุ่ฟังไอยุคอย่างนั้นมันก็เคยมีในมหาจักรวาลนี้มันมีมาหมดทุกอย่างเพราะยุคอย่างนี้เนี่ยมันมาเกิดยุคนี้ในครั้งนี้มันจึงเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งแรก คล้ายๆกับยูโทเปียความคิดของเธอ m u c e r t a i n e r much more นะความคิดที่แกรวบรวมวสังคมมันควรเป็นอย่างนี้ซึ่งยังไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งเท่าของพระพุทธเจ้ายูโทเปียน่ยยังไม่บริบูรณ์เท่าของพระพุทธเจ้าหรอกสาธารณโภคีของพระพุทธเจ้าเป็นบุญอาตมาใช้เรียกว่าบุญนิยมนี่แหละสังคมบุญนิยม รายได้เป็นซาตราริบูรกีทรัพย์สินเป็นส่วนกลางหมดที่ดินเป็นของเราอยู่ในเมืองไทยขณะนี้นี่เท่าไรไม่รู้อาตมาไม่ได้บังอาจไปรับที่ดินจากเมืองนอกเขาเราพอมัเป็นของส่วนกลางทางนิตินัยเลยเยอะที่ดินก็เยอะเราจะมีทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่สะสมไม่กักตุน มีแต่สัพพัดออกซึ่งเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใจเศรษฐศาสตร์ทางโลกเขาก็ต้องการแบบนี้ต้องการที่จะจริงใจที่จะมีความรู้ในการสัพพัดหลักของเศรษฐศาสตร์นี่คือสัพพัสดสัพพัสดสิ่งที่กินที่ใช้อุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงให้ได้สมดุเลเฉลี่ยกันให้ผู้เหมาะผู้สมให้สมดุลกัน สมดุลแม่กั้งั่งไอค้คนโกงย่าให้มันมากไอ้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรับใช้สังคมมากๆ ใ, ให้เต็มที่นี่พูดสรุปสรุปนะอย่างนี้เป็นต้นความจริงองินนี้นี่ผู้ที่มีปัญญารู้จักเข้าใจกว้างขวางมีมโนทัศน์มีวิสัยทัศน์ดีก็จัดสรรบริหารสังคมแบบนี้ยอย่างที่กล่าวคร่าวๆนี่จริงจังได้ดังที่ชาวโซกเราทำ ก็มีคณะดูแลบริหารจากอัตมาแนะนำบ้างพวกเราก็มีภูมิความรู้ด้วยช่วยกันบริหารสังคมเชาอโศกขึ้นมาซึ่งก็มีชุมชนสังคมหมู่บ้านต่างๆนานาปฐมอโศกสันติอโศกศรีษะโกศะโกราชตานีโศกอะไระโศกโศกย่อยๆเย็บเล็กๆย่อๆก็มันจะถึงร้อยหรือเปล่าโมนี้ก็ไม่รู้เกิดมั่งยุบมั่งอะไรไปเรื่อย ข่าววันนี้ก็จะมีวิธียุบเหมือนกันแต่ข่าวเช้าในิสัยบาทก็พบแกนแกนสังคมของชุมชนอสโศกชุมชนหนึ่งซึ่งมติของที่ประชุมเราน่ะก็เริ่มต้นแล้วกันนี่เอาไอ้ที่จะประชุมนี้รายงานก่อนพูดก่อนเนื้อหาในการประชุมมหาปรารา ครั้งนี้นะอัตมาจะไม่อ่านรายละเอียดว่ามีชสมณะเท่าไหร่ป่วยเท่าไหร่มาเท่าไหร่ไม่มาเท่าไหร่ไม่อ่านนะไม่บอกนะมันก็ใ้รอยากรู้รายละเอียดก็ไปติดตามมันไม่ยากอะไรพูดถึงเรื่องศ า, า, าสนาศาสนวัตถุศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนสถานซึ่งเป็นเรื่องตนเรื่องเรื่อ ง, องวัตถุเรื่องหยาบก่อน าศาสนวัตถุนั้นเริ่มต้นเอาตรงนี้เลยมีมติว่าจะให้ปิดโรงเรียนสมาศิขาหนึ่งโรงของชาวโซนนี่เป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์วิจัยกันว่ามันต้องควรไม่ควรอย่างไรบางทีมันก็ดูเหตุผลดูหลักฐานดูความจริงไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดไปชังแต่จำเป็นเห็นควรว่าจะต้องทำไม่เช่นนั้นมันก็เสียมากกว่าได้ ศู์เสียมากก็ได้เราก็จำเป็นจะต้องปรับทำอย่างนี้มันจึงจะเกิดความสมดุลเกิดการเจริญขึ้นต่อไปดีโรงเรียนสมมาศิกขาที่ปิดก็คือสมมาศิกขาหินผาฟ้านา้ำนะเป็นโรงเรียนทางนิติไนยจดทะเบียนทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วมาได้หลายปีอ่าก็ ให้ทางสีมาอาโศกดูแลนะก็เหมาะไปทางสีมาอาโศกดูแลนะหมายความว่าโอนนิตินัยจากอันนี้ก็เป็นภาวะซับซ้อนก็ไปจัดการกันก็ขอพูดแค่นี้เราปิดในพฤตธิ น, นัยว่ายินผาฟ้าน้ำปิดแต่ไม่ได้ไปปิดทางนิติ น, นัยนิตินัยยังอยู่ แต่ให้สีมาอโศกเป็นผู้ดูแลโรงเรียนที่ชื่อว่าสมมาศิกขาหินผาฟ้าน้ำชื่อเนอะสมมาสิขาหินผาฟา้นมม า, า, น า, ฟาน้ำแต่ผู้ดูแลจัดกา ร, รนั้นคือสีมาอโศกรับไปเต็มๆบุญหล่นทับตีนบวมสีมาอโศกอยู่ดีๆก็ เป็นสาขาของศรีสะโสกนศรีมานะโรงเรียนศรีม า, าโสกเป็นโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิทยาเขตของศรีสะโสกตอนนี้ก็เหมือนเป็นผู้มีอํานาจเต็มในโรงเรียนแลน้วนะนาว่าไปนี่อันที่หนึ่งต่อมาก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงก็ต้องขอต้องขยายความนะ คือผู้ที่อาย well, ุยาวของชาวโศกที่เป <oring> mm ็นสมาชิกชาวโศกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมณะศิกขามาที่อายุเกิน60ปีไปแล้วเนี่ยมันได้รับเงินดูแลจากเงินดูแลจากเงินดูแลผู้สูงอายุจากรัฐบาลได้ไหมนะสำหรับสมณะและิกขามาทเป็นนักบวจนั้น ได้เงินเหล่านี้ไม่เอ า, าไม่ไปรับไม่ไปให้เซ็นแทนคือมันมีอยู่ว่ามีคนไปเซ็นแทนรับแม้แต่ตัวนักบวชสมณะฤาษีธรมาตยเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยแต่พวกเราไปเซ็นรับออกมาโดยมีบางกล่าวว่าก็เอามาเข้ากองกลางมาเข้าส่วนกลางของชุมชนหรือไม่รู้นะไอ้นี่พูดไม่รู้ว่า แล้วรับแล้วเอาไปส่วนตัวเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่พูดไ้คือไปรับอ่ะสุดท้ายคือไปรับเงินของนักบวชไม่ว่าจะเป็นศิกขามารหรือสมณะบอกกล่าวเลยว่าไม่รับไม่เอาของจากรัฐบาลเพราะเราเป็นนักบวชแล้วพวกคักขันทาปหายะ หมายความว่าเราไม่มีทรัพย์สรินคารบ้านช่องเรือนชานแล้วแล้วเราก็ไม่รับเงินรับทองทรัพย์สินคารมาเป็นของตนบริสุทธิ์สะอาดเพราะศีลสิบขึ้นไปแล้วสิกมาราเราศีนสิบขึ้นไปสิกมาราเรานี่ซื้อตรงนะศินสิบเราไม่ได้รับเงินรับทองไม่ได้สะสมเงินทองเลยนะเป็นมาจนกระทั่งตั้งแต่มีสิกมรามาตั้งแต่ปศ2516มาจนถึงเดี๋ยวนี้ เรายังดีสิกรรมาเราไม่มีเงินทองไม่สนมีมีเงินส่วนตัวก็ให้ออกมีที่ดินส่วนตัวมีทรัพย์สินของส่วนตัวก็ให้สละออกให้คนอื่นอยู่แต่ตัวกับหัวใจอยู่กับหมูฝากชีวิตไว้กับหมูประปฏิพัตฐาเมชีวิกาให้ผู้อื่นเลี้ยงดูไว้ตัวเองไม่ดีหมูก็ไม่อยู่ให้กินตายไปเลยไม่ตายก็ศึกออกไปลาอไป พิสูจน์สัจจะของความจริงให้ได้เราพิสูจน์เราอยู่ได้แม้แค่ผู้หญิงเราก็ยังทําได้เพราะผู้ชายไม่ต้องห่วงเลยผู้ชายเราก็ทําได้สมณะเราก็ทุกคนทุกองค์ก็ยังงี้มาทุกองคอันนี้ก็ขอแจ้งเพราะง้นที่ทําอยู่แล้วจบอย่าไปรับจากรัฐบาลมาไปแจ้งเขาก็ได้บอกว่าทั้งนี้ท่านเป็นนักบวชท่านไม่ขอรับเงินรับทองบอกเขาโดยตรงส่งคืนรัฐบาลเข้ากองกลางเข้าคลัง ส่วนเขาจะไปทําอื่นๆจะมุบจะมิบจะโกงจะกินอะไระมันเรื่องบาปของเขาเขาจะต้องซื่อสัตว์เหมือนกันก็ก็ต้องคืนกองกลางรัฐบาลเป็นส่วนกลางแล้วก็ไปแบ่งแจกคนที่ควรแจกในสังคมนี่เรื่องที่2 ส, ส่วนคารวาชชาวอโศกนั้นที่อายุเกิน60ก็ได้รับเงินเหล่านี้เหมือนกันบางคนก็เอาเข้ากองกลางบางคนก็แบ่งส่วนหนึ่งเข้ากองกลางบางคนก็ไม่เอาเข้ากองกลาง ก็อิสระไม่ได้ไปบังคับสำหรับคราวาสไม่มีกฎระเ บ, รบียบบังคับเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณคุณจะเอาเข้ากองกลางก็บอกเขาเอาเข้าคุณจะเอาเข้าบบางเดือนก็ไม่ว่าไม่เอาเข้าเลยเป็นส่วนตัวไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะสิทธิส่วนตัวนะเอาเข้าบางไม่เข้าบางก็แล้วแตนะ่อันนี้สำหรับฆรวาสสาหรับสมณะนักบวชนักบวชชายนักบวชหญิงหยุด ไม่รับอาตมาไม่เคยรับเลยนะตอนนั้นมาบวชไม่เคยไปรับเงินสักตางจนอายุ80ดสิบแล้วเนี่ยถ้าจะได้รับมากระหวัง2ี่สิปีแล้วไม่ได้รับสั ก, กไม่เคยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องบ้างแต่อาตมาไม่เคยนำพาอเอาต่อมาที่นี้มันมีของข อ, งของบอกให้รูอ้อันหนึ่งแก้ไขคำสวดที่เราสวดพระวัตถุศักดิ์พระวัตถุศัพด์พมังกลังนะเรามีคาว่าพึง กับคำว่าจึงอยู่สองคำเนี่ยเพราะมันคำว่าพึงใช้ในตัวแรกมันมีอยู่กี่คำไม่รู้คำว่าพึงให้ใช้คำว่าพึงและใช้คำว่าจึงตัวสุดท้ายคำว่วัตุสัพท์เนี่ยใช้คำว่าจึงพึงมาก่อนแล้วก็มาจึงทีหลังเช่นว่าเพราะวัตุสัพท์พมังคลังมงคลทั้งปวงพึงเกิดขึ้นรักขันตุศัพท์ ว่าสัพเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาพึงอยู่ตัวแรกจึงอยู่ตัวหลังนี่คือบทสวดทีนี้บทสวดอีกอันหนึ่งคือพระหงแปดสัจจะนิคร น, น, นมันไม่ใช่สัจจะเท่านั้นมันมีคำว่ากะด้วยสัจจะกะนิครนแล้วตกตัวกะไปเติมกะอีกตัวหนึง่ง สัจจะนิคนผู้ไม่รักษาสัจจะนะสัจจ ะ, ะจำไว้เติม น, นี่ก็ตกอนนี้ก็แก้ไขเรียกว่าสังคยนาแก้ไขทั้งพิธวิธีการแก้ไขทั้งบทบัญญัติคำสวดคำสวดประหงประหงเนี่ยมันเป็นบทประนามคาถาซึ่งสวดได้พระเอาไปสวดเพิ่มมากกว่าสองคนพร้อมกัน ให้อนุสัมบัญห้คนข้างนอกใครๆฟังได้ยินได้ไม่อบัติแต่ถ้าเอาธรรมบทพระหงษ์แปดเนี่ยมันเป็นประนามคาถาประนามคาถาคืออะไรคำสันเริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทที่สันเริญคุณของพระพุทธด้วยพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างซึ่งคนแต่งไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บรรยัติไม่ใช่ธรรมบทไม่ใช่บทธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าบทธรมธรมะท่านแปลธรรมบทแปลว่าธรรมโดยบทถ้าเอาธรมธรมบทธรรมบทของพระุทธเจ้าเนี่ยมาสวดพร้อมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้อนุสบัติให้คนข้างนอกพวกคารวาทั้งหลายฟังอาบัตผิดทําผิดกันมาทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวนี้เดี๋ยผิดกันอยู่ตลอดเวลาเอาไปสวดหากินด้วยสวดปณามฆาถาได้พร้อมกันเรียกว่าสังสังคิติไม่ใช่ เรียว่าสวดเรีว่าสวดนั่นแหละเพราะงั้นจะไปสวดอย่างนี้แหละพร้อมกันตั้งแต่สองคนกันไปสามคนสี่คนสวดเป็นหมู่สวดเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็แล้วแต่แล้วสวดพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้แต่สวดนโมทศได้เพราะนโมทศเป็นคําประนามมรรคาสวดพร้อมกันได้อิติปิโสปการว่าอะไรก็ได้พระหุงนี่ก็ได้มหากาก็ได้อะไร่านของเราสวดอยู่แค่สองสามประโยคพระวจุศอะไรพระวจุศเราก็สวดกันได้ได้ ไม่มีปัญหาอะไรอย่าเอาทำมัมบทมาสวดเพราะว่าทำมมบดนั้นเป็นคําสอนพระเจ้าถ้าอตมาเคยอธิบายแล้วแต่ว่ามันก็ฟังกันไม่ค่อยขึ้นฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องพ่าก็ทํากันมาจนกระตั้งชินไม่ทำซะอีกเรียกร้องให้ทํากระวานนี่มันไม่รู้ไงเรียกร้องให้ทําซึ่งเป็นความผิดเหตุหลักที่สุดอตมาเขาบอกให้าาศาสนาอื่นๆเขาใช้ทํา และศาสนาอื่นมันบกพร่องมันเสื่อมมันไปจนกระทั่งมันใช้การใช้สวดนี่แหละเป็นบทการแสดงของนักบวชนักบวชมีอะไรดีสวดได้และสวดแล้วเป็นไงสวดแล้วประชาชนได้รับบุญได้รับฟังสวดแล้วได้บุญซึ่งมันเป็นเรื่องเทวนิย ม, มเป็นเรื่องแมจิกมันเป็นเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องไม่ไมไมไมไมจริงเลย มันไม่ได้อะไรหรอกถ้าเพื่อว่าคุณไม่ได้รับบทมนนั้นเอาไปอ่านเข้าใจแล้วก็รู้ว่าความหมายอะไรแล้วไปปฏิบัติตามบทม น, นั้นฟังแล้วครั้งโง้ได้แล้วบนมันไม่ได้แล้วก็เลยใช้บทม น, นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรได้เอาไปหากินสวดมนแล้วก็ได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาได้เงินได้ทองได้เขาเรียกใช้โก้สุนะได้ปัจจัยปัจจัยแปลว่าของจําเป็น พระพุทธเจ้าท่บอกมีสี่แค่นั้นละปัจจัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มย า, ารักษาโรคก็ที่อยู่แค่นี้ปจ 4, ัจจัยสี่นองนะั้นเป็นบริการเป็นเรื่องประกอบที่พอบางคนก็ไม่ต้องบางคนก็มีบ้างเดี๋ยวนี้ปัจจัยก็มากเออไม่ใช่บริการก็มากขึ้นแต่ปัจจัยก็ต้องสี่แค่นั้นนะแล้วดัจดจริตไปเอาเงินทองมาเรียกเป็นปัจจัยตีความซะว่าก็มันเอาไปซื้อข้าวได้เอาไปซื้อเครื่องนุ่งห่มได้เอาไปซื้อยาได้ไง เอาซื้อของสี่อย่างนี้ได้ไงเลยเรียกเป็นปัจจัยสี่มันเป็นอสมรพิตษ พวกนี้ก็บอกว่าใน้ํานเครื่องแก่มันอาตมาก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเครื่องแก่ที่แท้จริงแล้วก็เอาถ้ามันแก่จริงมันก็โถ่มันหายนานแล้วก็นามันของหายากอะไรนะก็ดื่มมันเมื่อไหรก็ดื่มมันเข้าไปก็หายแล้วก็ดื่มมันนักแล้วมาเห็นหายอีกทีอ้าเป็นวิบากของอาตมาเรื่องนี้แม้แต่หมอทั้ง เนี่ยเขาเรียนมาสเปกเชอริสต่างๆตรวจอาตมาเมาหนักแล้วไม่รู้เหตุน่หาเหตุไม่ได้น่ก็ เ, เอาปลดปลอดป่อยอ้าวสิบโมงเชา้ชาแล้วน่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยเอ้าต่อเน่ขออภัยแล้วที่อาตมาพูดไปแล้วก็ต้องนึกไม่อยากพูดหรอกพวกเตงใจเขาเพราะว่าโรคตัวนี้ถ้าเขาไม่อาศัยการสวดมนต์เาไม่มีงานทาพระเจ้าในวัดไม่มีงานทา นอกจากไม่มีงานทำเขาอาภัยพูดหนักหน่อยไม่มีทางหากินอาศัยอ็นนี้เลยไม่มีอะไรก็ราชพิธีหรือพิธีอะไรก็ต้องไม่ส่วนมวลไม่ทําอะไรส่วนมนเสมก็กัดที่ไม่ดีอย่ามาแต่กับธรรมดารับเงินแล้วก็กับอะไรอย่างเงี้ยขออภัยแต่มาพูดอายอายนาน่าเกียดนึงเลยฟังแล้วน่าเกลียดน่าเกลียดอาจารมาพูดเองก็ยังรู้สึกมันไม่อยากพูดนะจริงมันเป็นคําตำหนี่ แต่มันพูดความจริงขึ้นมาสู่กันบ้างเพื่อความรู้ไม่ได้โกรธเด็กเดยกได้ชังและน่าสงสารด้วยจริงๆไม่ได้อัตมาไปพูดเล่นพูดจริงใจน่าสงสารโอ้ศา ส, สนามันตกต่ำถึงขนาดนี้ต้องเป็นอยู่แค่นี้มันเพราะอัตมาภูมิใจที่พวกเราสามารถทําให้นักบวชของพุทธเหมือนกันอยู่ในธรรมวินัยเดียวกันโอวาทปาติโมกเดียวกันพัฒนปิฎกเล่มเดียวกันยังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ นะยังเป็นสังวาสเดียวกันเป็นพุทธสังวาสเดียวกันถือว่าเป็นไม่ใช่นิกายไม่ใช่คนละนิกายพุทธสังวาตเดียวกันแต่เราเองเราเห็นเรว่าโอ้โหเราไปร่วมกันั้นไม่ได้จึงขอแยกนานาสังวาสแต่ก็เป็นพุทธร่วมพุทธด้วยกันในเมืองไทยซึ่งเป็นวินัยของพระเจ้าแยกได้นานาสังวาสแล้วเราก็ต่างทําอะไรที่ร่วมก็ได้ก็ร่วมอะไรมันยังไม่สมานสังวาสก็ทําไป อะไรที่ร่วมกันได้ร่วมไปจนกระทั่งสุดท้ายมันเข้ากันได้เป็นสมานสังวาสก็มาร่วมกันเป็นสมานสังวาดกันไปถ้ายังไม่เป็นสว่านสังวาสอยู่ก็ร่วมกันอย่างนานาสังวาสไม่ใช่นิกายถ้านิกายนี่รับกันไม่ได้เพราะว่าวินัยคุะระดับเพราะแต่เป็นดกคนละเล่มโอวาทปาติโมกคุะอันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเข้ากันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้นี่เราปาติโมกเดียวกัน เพราะฉะนั้นท่านอยู่นานๆสั้นว่าท่านมาอยู่กับเราท่านเข้าฟังปฏิโมกเดียวกันกับเราได้แต่ต้องทําสะอาดอะไรงนี้เป็นต้นเราก็ตามวินัยเช่นว่าท่านยังนิสสิกิยาปจิตีมีเงินมีทองต้นต้องออกก่อนสละกออกถึงจะสะอาดถึงจะมาเข้าร่วมปฏิโมกสังกกรรมกับเราได้อย่างนี้เป็นต้นเอาละพูดถึงวินัยแล้วมันจะลึกซึ้งละเอียดละออเราก็ทําตามวินัยให้ถูกต้องตามธรรมพุตรเจ้าจะว่ากันได้จะ อธิกรณ์กันไม่ได้อะไรต่างๆนะตามทำพระพุทธเจ้าไว้หมดรักษานานาสังวาสไว้เพราะพระพุทธเจ้าตัดสููมาท่านทำทุกอย่างละเอียดไปหมดแล้วแล้วเราก็ดําเนินสิ่งเหล่านี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ผลนะจนกระทั่งถึงขั้นที่อาตมาพูดแล้วว่าถึงขั้นได้สาธารณโภคีท่านสมัยทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพุทธ่เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมธิปไตย ที่เป็นสังคมที่อบอุ่นเป็นสุขเป็นความอยู่อยู่ดีที่สุดเลยเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้ยิ่งกว่าสังคมนิยมยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ยิ่งส่วนกลางยิ่งกว่าประชาธิปไตยที่เขาเป็นอยู่ขออภัยจริงๆที่เหมือนยกตนข่มท่านเหมือนไปพูดยกตัวยกตนแล้วก็ข่มผู้อื่นเขาแต่นี่มันเป็นวิชาการอาตมาพูดความจริงสูงกันฟังตัวนั้นนะ ใครฟังแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบอะไรก็ขออภัยจริงๆแต่ถ้าใครเข้าใจได้เป็นปัญญาก็ฟังไปถ้าจะช่วยกันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ยิ่งๆขึ้นในสังคมไทยก็ช่วยกันอีกเอาดีอนุโมทนานะต่อมาที่ศาสนาบุคคลเนี่ยศาสนะวัตถุศาสนาพิธีศาสนาสถานก็มีสิ่งที่แก้ไขปรปับปรุงเท่านั้นนะที่ศาสนาบุคคลสมณนะ ตอนนี้ก็พยายามให้ธรรมณะมาช่วยดูแลที่จริงก็ FMTV แต่เราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นบุญนิยมทีวก็มันเรียกยากยาว FMTV อมหม่ของเราก็เลยบอกว่าค่อยเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ย น, ยนแต่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเรล่าเดิมในขวดเก่าวปแเราขวดใหม่ขออไปต้องแช้งคำว่าเรล่า อาหารเดิมอยู่ในภาชนะใหม่เท่านั้นเองจานใหม่ภาชนะใหม่เท่านั้นเองก็ขอเรียกชื่ออาหารเดิมแล้วกันเอฟเอ็มทีวี TV. คนบางคนงก็บอกก็เรียกบุญทีวีเถอะเงินไอ้คำว่าบุญอธรรมอยากจะส ง, งวนว่าเป็นคาสําคัญของศาสนาไม่อยากจะเอามาพพุ่มเพลือเล่นเพราะเอามาพร่ําเพลือเล่นทุกวันนี้อะไรก็บุญไปหมดขี่มูกขี่หมาก็บุญไปหมดแต่บุญเป็นคำสาคัญ เอาจะยังไม่อธิบายตอนนี้ปเดี๋ยวมันจะไม่ได้พูดอื่นสมณะช่วยงานเอ t v มทวนี่ตอนนี้นี่มีอยู่สี่รูปมีสมณะคมลึกเมตตาจิตโตนี่ก็ทำแนวหัวไม่ได้เงยหูไม่ได้ว่างฟังไงฟังฟังเท ế, ฟท ế, ฟังอะไรโหดูเก็บทักษา เขาไปลงตอนนี้ก็หาอดาาต้าเบสมาเก็บรักษาเข้าไปโอ้โหลงทุนซื้อไอ้เครื่องเก็บพวกนี้ดีที่ว่าเรามีวัตถุดิบเก่าๆทั้งเทพทั้งอะไรเก่าๆมาทต้งเป็นแม่แผ่นเสียงแม่เทพอะไรได้เรามีโทรทัศน์เก่าอะไรเก่าโอ้โหเราก็พยายามม า, มา เอามาอะไรอ่ะอามาปรับปรุงขึ้นมาให้มันดีอย่างเราพยายามแล้วก็เอาไปดับลิงเ ก, ก็บเข้าไว้สะสมเก็บไว้อีกเราได้อันนี้ใช้งานในการไว้สื่อสารประกอบเหมือนประวัติศาสตร์หลักฐานประวัติศาสตร์ของพวกเราก็ใช้งานได้เยอะท่านคมลึกเมตจิตโตสมณละลั่นพาสุชาติโกสมณหินมั่นศีลาปาการ สมณะใต้ดาวเหตานักขตัตโตซีรูนี่ดูแลประจำอยู่แล้วเราก็มีตั้งหลแห่ น, นสถานีที่เราจะส่งได้ดูแลได้เป็นเป็นเม น, นเป็นสถานีหลักๆซึ่งเราก็พยายามทำไว้ช่วยกันดูแลเป็นหลักนะเพราะว่าสื่อสารโทรทัศน์นี่ของเราไม่ได้ ใช้สื่อสารนี้เป็นการหากินทางโลกีเขาเพราะสื่อสารของเรานี้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ธรรมะเป็นเครื่องมือเผยแพร่สัจธรรมให้สังคมเป็นสื่อสารโดยตรงเลยที่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งสิ่งที่เป็นข่าวคร่าวสื่อสารต่างๆของสังคมสารสนเทศต่างๆทั้งหมด และธรรมะด้วยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารเผยแพร่ธรรมะอันสาคัญด้วยเป็นสถานีแห่งธรรมะอย่างแท้จริงไม่ได้หาเงินไม่ได้เรียอะไรไม่ได้เรียอะไรเหมือนสถานีธรรมะอื่นๆเขาก็มีแต่เขาก็เรียอะไรเงินประชาชนกันทั้งนั้นเราไม่เรียอะไรไม่กล้าแล้วก็ไม่ไม่อายมันไม่ใช่ไม่อายอายมันไม่กล้าเรียอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องการเรียอะไร ถ้าใช้โครงโลกนิสก็อดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักโซกก็สาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองอนี่เป็นโครงโลกนิสอย่างนั้นภาคเพียรอุตสาหาวิิยะหารายได้เองที่สื่อสัตว์สุจริตของเราเองแล้วก็เอามาใช้จ่ายในการทำงานสือ่อสารนี้ซึ่งแพน เราก็มีบุญกันมีกุศลกันผู้ช่วยงานกันก็นเป็นพวกที่เราทำเพราะงั้นเป็นหน้าที่การเผยแพร่ธรรมะสมณะนักบวชทำงานได้ตรงตรงเลยเพราะไม่ใช่งานบาปไม่ใช่งานผิดวินัยไม่ใช่งานที่นอกรีนอกทางอะไรเป็นสื่อสารโดยตรงเทศทางโทรทัศน์สื่อสารธรรมะแพร่ธรรมะไปทางโทรทัศน์ อย่างน้อยกับโพทธ่รักในเทศแล้วเทศอีกเทศจังเ น, นี่ยเปิดมาเกอบเมื่อไรกเกอบจะไม่คลาดหน้าคลาดตาเลยโอ้หลวงพ่อหลวงปู่รูปนี้ออกจังเลยแก่ไม่เป็นหรือไงไม่รู้พักรูปผรูพัก ร, ก, ร ก, ก็ทำไงได้อาตมาก็คือมันก็อยากจะเทศมันมันมีกำลังเทศด้วยอะ และพวกเราก็เห็นดีเห็นงามให้ออกเอามารีรันด้วยซ้าแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่ใช่มีแต่อัตมาพวกเราก็ช่วยกันนะแม้แต่ค า, ารวาะก็ช่วยกันด้วยเผยแพร่กันไปนะสรุปแล้วก็ประกาศว่าโดยเฉพาะนักบวชเนี่ยมันเป็นหลักเพราะว่าเนี่ยเป็นไหนแล้วก็เป็นไหนไม่เป็นไหนงายน อ, อกจากจะศึกศึกแล้วยังอยู่เลยยังมีเลยทิศศึกแล้วก็ยังช่วยงานอยู่ก็ยังมีเลยไม่เป็นไหน แต่มันมีเหตุจำเป็นจะต้องศึกก็ว่ากันไปนะมันเป็นวิสัยสุดวิสัยเป็นปนิบาศอะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้คารวาะจะช่วยเนี่ยตอนนี้เราก็อาศัยนักเรียนเพราะว่านักเรียนก็อยู่ก็เลยให้ก็ฝึกปืนเราก็ได้เลยได้ฟีมือนักเรียนผู้ใหญ่เป็นคารวาะคุณจะอยู่เป็นคารวาะก็ได้ไปมากก็ได้จะมาช่วยหรือจะอยู่ประจําเป็นสมาชิกสังคมเลยสมาชิกชุมชน ก็ยิ่งดีเราต้องการมวลพุทธธรรมเพราะเราไม่จ้างที่พูดนี่เงินเดือนเต็มเท่ากันหมดไม่มีใครสูงกว่าใครแล้วไม่มีใครสูงใครเงินได้เต็มทั้งหมดเลยอัตราเงิงนเดือนเท่ากันหมดเลยศูนศูนย์บาทเงินเดือนเท่ากันหมดนะกินข้าคนละอิ่มวัละอิ่มวัละอิมนี่ให้กินนะอะไรก็สงเคราะห์สวัสดิการเงินไปนะซึ่งเป็นเรื่อง ปรหลาดพิเศษสูงกวอยุติปีอย่างที่ว่ามันทำได้ซึ่งลึกซึ้งนะก็ประกาศนะบอกให้พวกเรารับสมัครล้านอัตราแต่ตอนตอนนี้ยังมีคนทำงานอยู่จำนวนเป็นสิบเท่านั้นสถานีแต่ละสถานีเขาตมิดคนงานพนัก ง, งานก็เป็นร้อยนะของเรามีจํจนวนเป็นสิบมันก็เป็นร้อยขึ้นไปเป็นพันก็มี สถานีใหญ่ก็เป็นพันนักข่าวในทั่วต่างจังหวัดอะไรนี่เขาจะมีเลยมีรายได้เบี้ยเลี้ยงเงินอัตราแจกจ่ายของเรานี่ไม่ฟรีทั้งหมดจะจูบส่งอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องไปจะรวมมาเต็มมือเต็มม้อะไรก็ตามฟรีเงินเดือนเต็มเท่ากันหมดเบี้ยเลี้ยงเท่ากันหมดทํางานน้อยงานมากอัตราเงินเดือนเท่ากันแม่เสมอภาคดีจริงๆนี่เราทําได้พิเศษนะ เอาเดี๋ยวจะยาวนี่ยาวแล้วนะนี่พูดยาวอยู่เรื่อยอาตมาเนี่ยเอาทีนี้ปัจฉาสมณะต่างๆอาตมาไม่พูดเาเสียเวลานีามันปัจสมณะป่วยอา่าหรือว่าสมณะคอพศเอาภาระทางสอง์อาตมาก็ไม่ขอประกาศเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางสงฆ์ส่วนใหญ่และกับสมาชิกชุมชนซึ่งก็พอรู้กันจะรู้กันไม่รู้ก็หาไม่ยากนะ ทีนี้แม้แต่สมณะที่จะลงอารามต่างๆอาตมา ก, ก็ขอผ่านเพราะว่าจะเหมือนเดิมซะเจอะเปลี่ยนแปลงสมณะที่จะไปบ้างก็ไม่มากเปลี่ยนไม่มากน้อยเปลี่ยนเตลี่ยแปลงน้อยอาตมา ก, ก็ขอผ่านเพราะว่ามันยาวเหมือนกันก็จะอ่านหมดมันก็เสียเวลาอาตมา ก, ก็เลยขอไม่อ่านนะ ส่วนอาตมานั้นก็เหมือนอย่างเคยบอกได้ว่าอาตมาและปัตชาไม่ลงอารามประจำที่เป็นสมณะสัญจรตามงานตามเรื่องหน้าสโลกธรรมสโลกธรรมสำหรับปีนี้อ้าวใครจะจดค่อนข้างจะจำยากอยู่นิดหนึ่ง เพราะมันลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งและกระทบสังคมแรงด้วยทั้งสังคมทางศาสนาศาสนาพุทธนี่แหละทั้งสังคมจริงๆด้วยเพราะความหมายของมันกระทบสังคมเลยฟังวัฒนธรรมบุญนิยมสโสรกนว่างั้นวัฒนธรรมบุญนิยมนั้น มีสัมผัสเลยคำว่านั่นเลยนะวัฒนธรรมบุญนิยมนั่นใครอ่านออกอ่านเลยต้องไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนลึกซึ้งวัฒนธรรม บุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนอ่าเป็นเรื่องที่อาจจะจงใช้หลายปีเ น, นียเพราะอธิบาีกำลังอธิบายเรื่องคำว่าบุญอยู่เนี่ยคำว่าบุญคำนี้ทำลายาศาสนาพุทธไปสูงมากร้ายแรงมากนะทางบ้านพออ่านเห็นนะอัตมายกดู นี่คือสโลกสุหรับปีนี้นะอ้าวเทนี้ก็มาถึงตรงที่จะขยายความตรงนี้แหละจะเป็นการเทศละเทนี้ขยายความคำว่าวัฒนธรรมบุญนิยมต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนเดี๋ยวจะขยายความไปทั้งหมดวิมานา อาตมาใช้มีคำหมายคำพูดหลายคำบุญนิยมก็มีคำหมายคำพูดต้องไม่ใช้บุญก็ในคำหมายคำพูดเป็นวิมานก็ใส่คำหมายคำพูดหลอกคนต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนก่อนจะได้ขยายความในสโลกนั้นก็ขออ่าน อาศิรพ์ถึงเดือนหน้าก็เป็นวันมหามงคลเป็นวันเฉลิมประชนพรรษาเต็ม 70, 81, 87 87สิพรรษาประชชนประชชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวของเราราชการที่9นี้อาตมาก็เลยแต่งอาเซรวาดเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ย ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเนี่ยก็จะถวายอเซรวาทก่อนตั้งแต่วันนี้วันพฤหิกาดเป็นวันงานของเรานี่เป็นวันมหาอวตารนี่นจะอ่านสู่ฟังก่อนจะยังไม่ขยายความเท่าไหร่หรอกจะไปขยายความอันสโลกนะซึ่งมันจะสัมพันธ์กัน อาตมาตั้งชื่ออาเซราวาสนี้ด้วยว่าพระปรมาพิวาทะพระปรมาพิวาทะหมายความว่าเป็นวาทะอันยิ่งใหญ่เป็น The Great Words นะเป็น The Great Words Words ของข้อในหลวงวันพิเศษผสกทั้ง พไทยไทยรำลึกน้อมภูวนัยผ่านเผ่าเทอดทิศอิสเรีไอสุริยะยิ่งเทินคุณข้าฟ้าปกกล้าวเลิศล้นบารณี ไทยมีกีรติก้องด้วยพระวิริยะกรุณมหากว่าพร้องปรมาพิวาทะยิ่งวิเศษสุดเลยคือแบบคนจนต้องถึงอึ้งคำสวรรค์ ทรงสรรคำอีกย้ำชัดเจน our loss is our gain ยิ่งซองเสริมพระอริเยนเปลืองปราดปรียาญานพิทรองพุทธแท้เทียนธรรมพระคำวิเศษนี้ อาริยใช่ตรตัตเตวาทะแค่ถ้อยราชจริยวัตรประจักษ์สิทธิ์พิสูจเถินทรงกิดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยเกินพันพระสันพระสิริให้โลกระบือ คำใหญ่ยิ่งนั้นคือทิฏฐิฟ้าเคยมีชนีหรือในโลกที่ตรัสให้คนกล้ามักน้อยมาจนปกครองคนด้วยแบบขาดทุนประมัินี้คือบุญแน่แท้ ชำระกิเลศคุณใหญ่ยิ่งโลกวัดมิได้แน่แม้ฉลาดด้วยปริญญาโลกวัดมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาวาทะนี้กว่าพื้นปุตุชนทั้งขาดทุนทั้งจน สุขได้สละชีอัศจรรย์นคนอาริยะประหลาดแน่ประหลาดแน่แต่จริงไ้เพราะแท้พุทธธรรมนี่คือปรมาพิวาทซึ่งในหลวงของเราได้ตรัสเรื่องของบริหารปกครองสังคมด้วย แบบคนจนแลวท่านก็สำทับอีกว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรานี่แหละคือสังคมที่โลกต้องการเอามาเข้าสู่วัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนไล่ไปจากข้างหลังก่อน พิมานหลอกคนคืออะไรวิมานหลอกคนก็คืออามามาทําทานทําทานก็ไปเรียกซะว่าทําบุญทําบุญไม่ใช่ทําทานทําทานนั้นคือการสละออกของวัตถุเป็นหลักแต่ในทานนั้นถ้าสมาธิแล้วคุณได้กุศลในการสละวัตถุ แต่คุณต้องได้บุญในการจิตสละออกคุณต้องรู้จิตในจิตแล้วคุณก็จะต้องทำจิตเป็นเรียกว่ามณสิการหรือมณสิการุติคุณต้องทำใจเป็นทำยังไงทำให้ใจมันสละออกแต่ทุกวันนี้ทานและคุณให้วัตถุคุณได้กุศลทางวัตถุแต่บุญคุณไม่ได้เพราะ บ, บุญคุณไม่ชมราระกิเลสไม่ได้สละออก บุญแปลว่าการชําระกิเลสในสั้นดานให้หม ด, ดสั้นตานังปุนาติวิโสเทตินี่คือคําแปลคําว่าปุญญาหรือบุญมาจากบาลีว่าปุญญามาเป็นไทยบวชเสร็จเรียกว่าบุญคําไทยในบวชมาจากบาลีคําว่าปุญญานิยามของคํานี้เป็นโลกุตระคําว่าบุญ เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจคำว่าบุญผิดเพี้ยนแล้วเอาคำว่าบุญเป็นหลอกเป็นวิมานวิมานอะไรถ้าพูดใดนี่นะเอาม า, มาทำบุญก็คือมาทานนี่แหละที่เราเข้าใจกันไปอย่างเนี้มันผิดทานไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่กุศลแต่กุศลเป็นบุญได้ทานก็ทานถึงบุญได้ถ้าสมาธิ ทำใจในใจเป็นและคุณก็ให้ทั้งวัตถุและคุณก็ให้ทั้งจิตไม่ต้องเอาอะไรคืนไม่ต้องแทนใดคืนแต่ไปบอกว่าทานนี่แล้วคุณจะได้วิมานคุณจะได้สวรรค์คุณนี่แหละสวรรค์นี่แหละหลอกกันจังคุณจะได้สิ่งตอบแทนคืนคุณจะรวยกว่าเก่าคุณจะได้โน่นได้นี่ได้สารพับุญใหญ่บุญโตบุญมหาศานบุญพวกนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ขี้หลอก <c oughs> เนื้อแท้แท้หลอกเลย ไม่ใช่ขี้มันไม่ใช่ขี้หลอกเนื้อโตตอนมันเลย <c oughs> แม่อัตมาก็พูดแล้วก็เน้นเสียงมันก็เลยเค้น <c oughs> ไม่เค้นมันก็ไม่อร่อยเทศอร่อยมันก็ต้องเป้นเค้นดังๆเทศเยอะๆๆอัตมาก็ว่ามันแม่อัตมาเป็นศิลปิน ให้แสดงเยอะๆยะๆมันไม่ถึงอ่ะจะมาแสดงก็ต้องออกจริงๆต้องมาเป็นศิลปินมอแสดงก็เลยถึงน้ำถึงเนื้อเลยเป็นภัยต่อคอสมน้ำหน้าโพธิรักไม่เจียมตัว <c oughs> เพราะงั้นคำว่าบุญที่มันเพียนนี่แหละแล้วทำไมเขาถึงเอาบุญไปขายเพราะบุญนั้นมาค่ามันสูงกับกุศล จชบุญมันล้างกิเลสบุญคือการชําระกิเลสโอ้โห o ค่ามันสูงอะมันประเสริฐกว่าคุณกุศลมันคือคุณงามความดีธรรมดามเป็นโล ก, กียะเท่านั้นแต่บุญน่ยมันเป็นโล ก, กุตระชําระกิเลสได้เนี่ยรู้จักกิเลสแล้วก็ทําให้กิเลสลดได้มันเป็นกุศลไงมันเป็นราคาแพง โดยปริยายคนก็เข้าใจก็เอาบุญมาบอกว่าได้บุญนะเอาบุญราคาแพงคนก็อยากได้บุญโอ้ดีเหรอหม่ๆม่เาก็ต้องการโอ้ถ้าได้บุญเอาถ้าได้กุศลเอาเอาบุญที่บุญมันแพงกว่าราคาบุญแพงคนก็เลยชอบเอาบุญมามาหลอกก่อนขาก่อนทั้งทั้งที่พากันทํานั่นน่ะใช้ความคิดใช้การตั้งจิตให้การทําใจในใจให้การเรียนผิดมันไม่ถูกแล้วคุณทําบุญไม่ถูกบุญ เพราะคุณทำบุญไม่ถึงใจไม่เป็นใจบุญจะต้องทำถึงใจถ้าใจไม่เปลี่ยนแปลงมณสิการ์หรือมณสิกรโรติไม่เป็นทำใจไม่เป็นคุณทำใจให้มันสละออกไม่เป็นคุณทำทานแล้วคุณก็ยังอยากได้จิตจงอยากเอามาให้ตัวเราอยู่ไม่ได้บุญไม่เป็นบุญจะได้แต่กุศลอย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นคนที่เอาบุญไปเป็นเครื่องมือในการหลอกคนที่ยังมีกิเลสอยากได้อยู่คนมันมีกิเลสมันอยากได้มันก็เลยชอบมาทำบุญกระโพธิรักมันไม่ได้อะไรตอบแทนนี่มันไม่ได้สวรรค์มันไม่ได้รวยมันไม่ได้ไหนหนอนนนนี่ไม่เอาอะ่ะมาทำบุญมาทำทานกับโพธิรักไม่เอาอะ่ะอัตมาก็เลยมีคนมาทานให้ทาน มาบริจาคอาตมาจริงๆอาตมาก็ขออาภายัยอาตมาไม่ได้ต้องการใครมาทานถ้าคนนั้นไม่ได้มาเป็นสมาชิกเล่นตัวเล่นตัวโบทิลักษ์นี่เล่นตัวอย่างนั้นจริงๆเราอาตมามีกติกานี้มาตั้งแต่ต้นเพรา ะ, ะนั้นเราจะรับเงินบริจาคหรือเงินทานจากสมาชิกชาวโศดมันมีหลักเกณฑ์เช่น ถ้าคุณไม่ได้มาที่วัดนี่มาคบคุณมาศึกษาว่าเอาออสุรก็ศึกษายัางไงเขามียังไงเขามีแนวทิฏฐิสมาทิฏฐิของเขาเป็นยังไงถ้าคุณไม่มาถึงเจ็ดครั้งเราเอาวัดเป็นเครื่องวัดประกอบว่ามาเจ็ครั้งไม่ใช่เขามาถึงวัดแล้วก็หนีอไปแล้วมาเ็ครั้งนี้ก็แล้วเอาหนีมาเจ็ครั้งเราก็คือมาวัดเ็ครั้งอันนี้ไม่ใช่ต้องมาคบคุณต้องมาคุยมาศึกษาว่าเออศึกษามารู้ว่าทำยังไงศึกษายังไงทานยังไงศีลยังไงภาวนาอย่างไงอ่า ปฏิบัติยังไงพุทธทำความเข้าใจมาถึงเจครั้งนี่อาตมาเขเชื่อวเออคงพอเข้าใจแล้วว่าอส่งนี่มีแนวทางแนวคิดอย่างไรอ่าอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาชิกหรืออ่านหนังสือเจ็ดเล่มต้องเล่มขนาดนี้เลยนะไอเล่มจี๊ดหนึ่งนี่เราเจ็ดเล่มมันก็ไม่ไหวน้เออหนังสือพอสมควรหน่อยน้าอ่านหนังสือเจ็ดเล่มมาวัดสักเจ็ครั้งน้ แต่ก่อ น, นมันมีเทปฟังเทปสักเจ็ดสิบม้วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนบอกว่าแล้วดูโทรทัศน์เกินเจดสิบครั้งแล้วนะบอกไม่ไม่ไมไมไมนบับปรดูโทรทัศน์นับไม่ไหวอะ่ะตัดเอาไม่ได้อัตมาก็บอกไม่เอาคุณเอาอ่านหนังสือตามหลักเกณฑ์เดิมแล้วกันมาวัดเ็ครั้งอ่านหนังสือเจ็ดเล่มนะเทปก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะไปดูโทรทัศน์บอกจะดูทอนเกินเจดสิครั้งแล้วนะบอกไม่ได้ ดูเทรเกินจะดสิครั้งก็ไม่เอาเอาเดี๋ยวจะยืดหยัดถ้าเราหนึ่งคนที่เข้าใจฉลาดเนี่ยจะสร้างวิมานเนี่ยหลอกคนวิมานได้สวรรค์วิมานอันลึกลับอันไม่รู้คนพูดเองก็ยังไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงคนพูดเองนะว่าวิมานนี่ก็บอกคุณจะได้ในชาตินี้ชาติห น, น้าชาตินู้นได้ติดตัวไปยังงนงี้จริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลย นี่เป็นเรื่อว่าสร้างวิมานหลอกคนถ้าเอาใครคําออกคําว่าบุญเนี่ยอย่างนี้แหละบุญแล้วคุณจะได้วิมานชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้สเนี่ยไม่ใช่บุญเป็นเรื่องปัจจุบันธรรมไม่ใช่วิมานในอนาคตบุญเนี่ยปัจจุบันธรรมคืออะไรทําบุญคือทําการชรําระกิเลสคุณต้องรู้จากกิเลสเดี๋ยวนี้สัมผัสในตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสขณะนี้เกิดจิต อ่านจิตได้ว่านี่คือกิเลสและคุณก็ทำการละกิเลสในขณะนี้คุณจะกดขมวิคำพณะปะหารก็ตามคุณจะปฏิบัติ ด, ด้วยวิปัสนาวิธีก็ตามทำให้เกิดปัญญาวิปัสนาวิธีก็ทำให้เกิดปัญญาออเห็นในความไม่เที่ยงเห็นในความเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุนในความทำให้เสียให้เสื่อมอ๋อยังงี้เองเรากล็ลดละเห็นกิเลสจางคลายเพราะเข้าใจอนิจจานุปัสสีเพราะเห็น เมื่อพลังงานของพลังจิตพลังปัญญามันมีพลังมากพอมันก็ละลายไฟมันเหมือนไฟท่านคําแทนน่ะมันเป็นอุณหทาศเป็นพลังงานที่มันมีฤทธิ์มีอํานาจเก่งพลังงานของปัญญาหรือพลังงานของฌานฌานคำฌานนี่แปลว่าไฟแต่ว่าอุณหทาตศนี่มันละลายไฟราคะพลังงานราคาพลังงานโทสะพลังงานกิเลส เลยลดจริงๆเราจะรู้อาการของกิเลสเรียกว่าส ก, กายะหรืออัตตากิเลสมันลดลงลดลงเรียกว่าวิราคานุปัสีเห็นความจางคลายของกิเลสการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเห็นแท้เห็นจริงอย่างนี้แม้เป็นนามธรรมเป็นจิตเจตสิกรูปนามธรรมที่ถูกรู้เป็นนา ม, มารูปอ่านออกเห็นเลยว่าเออมันลดละจางคลายคุณลดกิเลสนั้นได้จึงชื่อว่าบุญ ต้องปฏิบัติอย่างนี้ในปัจจุบันทุกปัจจุบันกิเลสรถนี้จึงเรียกว่าบุญไม่ใช่วิมานที่คุณจะไปใช้หลอกคนนั่นเมื่อนั้นเมื่อนี้จะได้นู่นนี้ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นคนใดเอาคําว่าบุญไปหลอกเป็นวิมานในอนาคตคนนั้นบาปอามาไม่ได้พูดใส่ความนะไม่ใช่ไปว่าแต่นี่เป็นสัจจะคุณเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่อาจารย์พูดสัจจะอามามีสิทธิ์พูดสัจจะเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครเอาบุญนี้ไป ล่อคนว่าเยนเ็นจะได้ตอบแทนในอนาคตบุญไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากลดกิเลสซึ่งสูงก็ได้โลกียะลาภยศชนเสริมมาตอบแทนเพราะมันทําให้คุณเป็นอริยะทําให้คนมีคุณค่าทําให้คนพ้นทุกข์ทำให้คุณประเสริฐเป็นประโยชน์คุณค่ามีทั้งกุศลและมีทั้งประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกโลกานุกรรมปายะพร ะ, ะุเชนทรียาพระอุเชนสุขายะโลกานุกัมปายะจริงๆ เป็นคนที่จะมีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติแบบนั้นเลยมันสุดยอดประเสริฐเพราะมันปฏิบัติสำเร็จบุญทำบุญได้ได้ได้กุศลจริงสำเร็จผลเรียกว่าบุญญาฤทธิ์หรือปุญญาฤทธิ์เป็นอํานาจของบุญที่ทำให้มันเกิดผลได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยเป็นไฟชารนเป็นไฟลดกิเลสลดรากะลดไฟราคะลดไฟโทสะโมหะเนี่ยนั่นแหละเป็นบุญญฤทธิ์ถ้าคนทาได้ถึงขั้นนี้ นั่นแหละคุณได้บุญได้แล้วเป็นไงถ้าคุณละกิเลสหมดบุญเป็นเครื่องกำลังชำระกิเลสชำระกิเลสหมดเกลี้ยงจากจิตคุณแล้วเป็นพระอรหันต์คุณไม่ต้องใช้บุญแล้วคุณไม่ต้องมีบุญบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีหมดบาปคือกิเลสบาปก็หมดบุญก็หมดเรียกว่าปุญญะปาปาปริกขีโนหรือปุญญกขยะปุญญกขยะเป็นการสิ้นปุญญกขยะ นะเพราะคุณปุญจกตะคนทําบุญเสร็จแล้วบุญญกตะ ป, ปุญญักขยะขยะปุญญักขยะเป็นว่าสิ้นเสร็จบุญมันไม่ไม่มีบุญแสิ้นแล้วบุญหมดแล้วสิ้นแล้ ว, เ ส, ลวเสร็จแล้วนี่คือกระตะปุญญกตะบุญปุญักขย ะ, ญญขยะนี่ก็ใช้พยัญชนะของบาลีของภาษาศัพท์ของ ของพระพุทธเจ้าเมื่อจบแล้วปุญญาปาปะปริกีโนบาปก็หมดบุญก็หมดจบไม่มีแล้วคุณก็ไม่ต้องทำบุญอีกไม่มีบุญไม่มีบาปอีกเป็นคนหมดบุญหมดบาปสิ้นบุญสิ้นบาปมันเพี้ยนไปจนกระทั่งว่าคนสิ้นบุญคือคนตายเฮยยิ่งเป็นเลยเป็นอะไรเป็นอหรหันต์อยคนสิ้นบุญนี่คือคือเป็นอหรหันต์อจ จริงคนที่สิ้นบุญแล้วเนี่ยเป็นอหรหันต์เลยนี่คือสัจจะที่มันชัดเมื่อสิ้นบุญแล้วก็ไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรอีกไม่มีบุญแล้วในปัจจุบันเท่านั้นในอนาคตก็ไม่มีบุญอันนี้ก็ไม่ต้องมีอีกแล้วจบแล้วนี่ทําไปจะจบนั่นและหมดแล้วจบกิจแล้วเสร็จหมดแล้วฟังดีๆวันนี้อาตมาขยายความละเอียดละเอียดไอ้ น, นี่เยอะจะชัดเข้าใจชัดขึ้นไหม ใครได้ฟังชัดขึ้นกว่าเก่ามัง้งได้ฟังสิ่งใหม่ชัดกว่าเก่าโอ้ยกมือสโลนเลยฉลาดเปล่าอตาตมาอธิบายเก่งล <c oughs> ีลาดรามาติกอตาตมาเป็นศิลปินอตาตมาก็มีลีลาต่นัดจากคีตวาทิตบไปบ้างนี้แหละมีท่าทีลีลาสุ่มเสียงสำเนียงอ่าเป็นศิลปินนักแสดงอ่า เพราะงั้นคำว่าบุญนี้มันผิดเพี้ยนมานานผิดมามากอย่างที่อาตมา ก, กล่าวอาตมา ก, ก็พยายามใช้หลักฐานพยัญชนะกอดีเหตุปัจจัยในคำํำสอนในสูตรในอะไรต่างๆกระดิมอ้างมาอิงมายืนยันว่าอาตมาไม่ได้พูดหลักลอยไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อเจออะไรอาตมาพูดถึงสัจธรรมเพราะาสัจธรรมโลกุตตรธรรมของเจ้านี่มีคําว่าบุญแล้วคําว่าบุญนี้ยิ่งใหญ่และสําคัญมากเมื่อเพียน ก็เลยมาใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนกันจนทุกวันนี้ผู้ใช้เป็นวิมานหลอกคนก็ได้บาปคนไม่รู้ก็อวิชชาก็โง่เงาไปตามที่เขาหลอกถูกเขาลวงตับกินไส้ไปลายต่างคนต่างบาไปไปด้วยกันองล่ององล่องสาอีสานเหมือนหูกับขิดถูดไปได้วยกันดีเลยติดกันไปเลยไปได้วยกันเลย ทั้งคนบาปด้วยคนบาปทั้งคนที่จะเอากับคนที่จะให้หลอกกันไปหลอกกันมาโอยแล้วก็มาช่วยขยายผลในการหลอกกันซ้าซ้อนไปอีกกงงนักซ้อนซ้าไปอีกแลก้วกระจายไปเขาจะกระจายการหลอกแบบนี้ให้ทั่วโลกมีสํานักที่ตั้งใจหลอกบุญใหญ่บุญโตบุญขยายพวกนี้ถ้าใครรู้มีปฏิพานก็รู้าอาตมา ก, กำลังหมายถึงใครน่เจตนาผู้นี้ถึงเขาให้เขาฝังไม่ได้กรได้เกลียกเาเลยสงสารเขาที่สร้าง นรกให้ตัวเองแล้วก็ไปหลอกคนว่าเป็นวิมานใหญ่เป็นสวรรค์ใหญ่อะไรพวกนี้สร้างวิมานเก่งมีความรู้ทางด้านในมาร์เก็ตติ้งมาทางวิจีการโฆษณาเชิงตลาดเก่งหลอกได้เก่งมากใช้วิชาการทางแบบโลกีเลยเป็นวิชาการมาร์เก็ตติ้งที่ว่านี่เพราะงั้นก็เลยโอ้โหมีคนนิยมชมชื่นมาก ซึ่งอาตมาเองไม่ได้ริษยานะที่อาตมาไม่ริษยาเพราะอะไรเพราะบางคนที่ไปหลงในความผิดเป็นความถูกไปหลงนรกเป็นสวรรค์เนี่ยคนฉลาดหรือคนโง่คนที่ไปหลงความผิดเป็นความถูกหลงนรกเป็นสวรรค์นี่คือคนไม่มีปัญญาอาตมาจะไปริษยาการไป คนไปได้หลอกเอาคนโง่ไปได้อาตมาจะเป็นฤษีอาทำไหมอาตมาไม่หลอกอาตมาต้องการคนฉลาดมานะ่ะแม้แต่คนโง่อาตมายังไม่ค่อยอยากได้เลยจะไปพูดให้เต็มปากเต็มคําเลยว่าอาตมาไม่อยากได้เต็มๆเลยไม่อยากได้คนโง่ก็เปลงใจเพราะหลายคนโง่รับรับรองว่าตัวเองโง่อยู่ก็ยังอยากมาก็เอาเถอนะก็เลยพูดกลางๆไว้นะ พระยาอัตมาจึงไม่ไปฤศยาคนที่จะรวบรวมคนงโง่ได้มากเท่าไรก็เชิญไปเลยเอาไปให้หมดหมดก็ดีอัตมาจะได้เหลือแต่คนฉลาดหลอกไปให้หมดเลยหลอกได้หลอกไปเพราะคนที่ไปตกเป็นเหยื่อของคนหลอกใช่ไหมไปตกไปเป็นเหยื่อของคนหลอกคนก็เอาไปที่จะไปฤศยาทําไมเพราะอัตมาไม่ต้องการคนถูกหลอกได้จริงอัตมาไม่ต้องการคนถูกหลอกได้ อัตมาต้องการคนมีปัญญาและอย่าถูกลอกมาที่นี่ไม่ลอกเพราะฉะนั้นใครที่เอาบุญไปเป็นวิมานหลอกคนบาปแล้วเป็นคนทำลายศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเพราะนั้นวัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนเข้าใจดีขึ้นไหมสาบซึ้งไหมช่วยกัน เผยแพร่สโลกนี้ปีนี้เริ่มต้นวัฒนธรรมเอากล่าวสิพร้อมกันจําได้ไหมวัฒนธรรมบุ ญ, ญนิย ม, ม, ม, ม, มนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนเป็นสามวักวัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนจําไว้นะ นี่คือความหมายที่เป็นสัจธรรมวันนี้ที่อาตมาพยายามจะยำ้ำอาตมากำลังขยายคำว่าบุญนี้ขยายความให้มันชัดเจนไัมสัจจะคำสอนพระเจ้าเป็นบัญญัติและก็เป็นทฤษฎีที่จะใช้ในหลักพุทธธรรมพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้าท่านมีไว้ทาไว้เยอะเมื่อไปเพี้ยนแล้วเข้าใจคำนี้ผิดไปโลกุตตระ บุญเป็นโลกุตระบุญเป็นเครื่องมือในการใช้ชำระกิเลสมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะไปอาศัยอาศัยใช้สอยบุญไม่ใช่เป็นอาการอาศัยใช้ใสบุญเป็นการชำระสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เป็ดเชื้อโรคออกไปจากจิตวิญญาณออกไปจากตัวเองทั้งหมดเลยเป็นเครื่องมือใช้เท่านั้นเองพอใช้เสร็จกหมดบุญหมดบุญมุญ่มพมหมดบาป ไอ้ทีสิ่งโสโครกก็คือบาปคือกิเลสหมดแล้วก็เลยกกันจบแล้วไม่มีกิเลสจะให้ออกอีกแล้วไม่มีบาปที่จะมีแล้วสรรพปาพปัสาการนังเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดบาปหมดโมลแล้วทำแต่กุศลอย่างเดียวกุสลรัตสู้ประสัมพทาเพราะสัจจิตตประโยชน์ตปนังเพราะชำระจิตสะอาดหมดแล้วสัจจิตตประโยชน์ตปนังหมดแล้วจึงเป็นคนทําแต่กุศลอย่างเดียวบาปทําไม่เป็นไม่ทําอีกแล้ว เป็นสัจจคของผู้ที่มีสัจจเพราะพระอรหันต์ขึ้นไปไม่มีไม่ท่านไม่ทำบาปอีกหรอกไม่ทำเลยเพราะกิเลสท่านก็หมดจริงๆเป็นสัจจจริงๆที่พิสูจน์ได้นี่เป็นทฤษฎีหรือเป็นวิชาการเป็นลัทธิพุทธหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธในทางตะวันตกซึ่งเป็นเทวนิยมเขาเข้าใจไม่ได้ เขาฟังพุทแล้วก็ฟังปรัชญาพุทธแล้วก็ฟังคำสอนพุชธแล้วก็ฟังพุทธศาสตร์ระความรู้ของศาสนาพุทธทั้งหมดแล้วทาความเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณของพุทธไม่ได้เขาก็ฟังแล้วเขาเขเข้าไม่ถึงคำว่าจิตวิญญาณของพุทธเช่นคาว่าอัตตาเขาเข้าใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นลัทธิอัตตาลัทธิอัตมัน รัติพระเจ้าเป็นปรมาตมันคืออัตมะรอัตมะหรืออาจอัตตาที่ยิ่งใหญ่อัตตาที่ใหญ่ที่สุดปรมาตมันพระเจ้าเขายึดถือพระเจ้าเป็นสายศรัทธานับถือยังไม่มีคอกแม่นับถื อ, อยัง ไ, อออยงไม่มีเงื่อนไขเสร็จแล้ว แ, วแต่จะพระเจ้าจะสัง่งตัวเองไม่มีอิสระ พระเจ้าเป็นใหญ่หมดเพระเาะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เข้าใจคำว่าปรมาตามันปรมาตามันคืออะไรปรมาตามันคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณอะไรจิตวิญญาณอันสะอาดสะอาดจากอะไรสะอาดจากกิเลสกิเลสหยาบกลางละเอียดแมทุลีละอองอะไรก็แล้วแต่เศษกิเลสศาสนาพุทธเรียนรู้จิตวิญญาณ จิตเจตสิกรูปนิพานแล้วล้างสิ่งที่เป็นกิเลสหยาบกลางละเอียดหมดเลี่ยงทวนหมดแล้วสามารถล้างกิเลสได้หมดสิ้นแล้วไม่ต้องล้างอีกแล้วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารก็คือบุญนี่แชำระ ก, กิเลสนี่แหลอะอภิสังขารแปลว่ากระทาจัดการตกแต่งปรับปรุง ทำให้มันเจริญอภิสังขารแต่ถ้าสังขารตัวเดียวเนี่ยมันปรับปรุงไม่เจริญก็ได้เจริญก็ได้เป็นคำกัากลางสังขารคุณไม่รู้อวิชามันก็จัดการเองกิเลสมันพาจัดการเองเรกว่าอาวิชาคุณไม่รู้ผู้รู้สามารถรู้จิตสามารถให้จิตนี่แหละจัดการกับจิตเนี่ย ให้จิตมันรู้กิเลสคือจิตมันรู้ด้วยนะั่นปัปญาปัญญาด้วยรู้จากกิเลสแล้วมีเครื่องมือเข้าใจวิธีการเครื่องมือชำระกิเลสได้ด้วยก็ให้มันทำเรียกว่ามณสิการหรือมณสิการติมันก็ทามันก็สังขารมันก็จัดการเรียกว่าอภิสังขารเ<ๆ>มื่ออภิสังขารที่จัดการกิเลสลดได้ก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารมันก็ชำระกิเลส เราเป็นคนสังขารเราเป็นคนอภิสังขารได้เมื่อชำระ ก, กิเลสหมดไม่ต้องช ำ, ชำระอีกก็เรียกว่าอะปุญญาก็เป็นอะปุญญาพิสังขารตอนนี้ก็ปรุงแต่งโดยไม่ต้องล้างกิเลสอีกแล้วครบคันหมดสิน้นละทำได้สมุทเฉดทำอีกเป็นปฏิปัจธิทำไปทำไปทำไปอีกให้เป็นอภิเนย พิสังขารอเนนชาให้เป็นอเนินชาพิสังขารมันทำได้แล้วมันไม่ต้องสำรักอีกแล้วเพื่อนก็ทาซ้ำทำอีกทาอีกทาอีกให้มันแข็งแรงตั้งมั่นทาวรให้มันมั่นใจให้มันได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดให้มันเป็นเองให้เป็นเป็นตัฏฐตาให้มันได้เป็นความจริงอย่างนั้นเองเลยอัตโนมัติไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเจตนาไม่ต้องไปทำอะไรมัน มันก็เป็นกลไกอัตโนมัติเป็นเองเลยมันเป็นความบริสุทธิ์สะอาดความบริสุทธิ์สะอาดมันทั้งรู้กิเลสมาเหลี่ยมไหนมาอย่างไรอะไรคือกิเลสอย่างเล็กอย่างน้อยอย่างบางอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างบรรจุซองอย่างยากอย่างใหญ่อย่างยักอย่างอะไรทุลีละองบรรจุซองขนาดละองทุลีอะไรหมดไม่เลืไม่มีเข้าไม่ได้มันทวนรอบจริงๆคําสอนพระพุทธเจ้า ให้ตรวจจนมันไม่มีทางที่จะกะดิกกระเดี่ยเลยมันสมบูรณ์แบบจนสุดสมบูรณ์แบบเลยเป็นสมบูรณ์เป็นอันติมะเป็นอับส์ลูตเป็นอัลติเมตสุดยอดเลย น, นี่คือการศึกษาของพุทธเจ้าสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาให้เป็นโลก เพาคำว่าบุญคำนี้อัตมาจึงมาใช้เรียกเป็นลัทธิจึงเรียกว่านิยมคำว่านิยมนี่คือลัทธิหรือความนิยมนี่แหละให้มานิยมอย่างนี้กันเป็นความหมายความหมายหรืออัตเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มที่มีทฤษฎีมีระบบมีวิธีการแบบนี้แบบที่ใช้บุญให้เป็นให้บุญมันชําระกิเลสให้เป็น ให้ถูกต้องทําให้สําเร็จด้วยยืนยันความจริงนี่ให้ได้ที่นั่งอยู่นี่เราขอถามนิดเดียวเรียนแบบเจ้าโกตีนีดหน่อย ต, ติดเดียวคอถามติดเดียเจ้าโกตีมันเอาคํานีน้ไปเป็นน่ะเป็นเป็ น, ปนทัคติเป็นทริคโฆษณากินเลยติดเดีย่ย มันได้เงินทั้งหลายนะคำนี้นิดเดียวมันแสดงตัวอัตมาเอามาใช้ก็ฟรีไม่ได้เงินถามว่าที่อัตมาพาทำเนี่ยมันจริงตรงที่มันชำระ ก, กิเลสได้จริงไหมคุณเอาอะไรมาตอบฮะเอาตัวเดียวมาตอบ อวดอุตริมุนุสธรรมพวกนี้เนี่ยอวดอุตริมุนุสธรรมเอาตนเองมาตอบมาถามว่าโรคเกเลได้จริงไมได้จริงน้อยอวดตัวว่าตัวเองรคเกเรได้เอาเถอโอ้โหนี่มันไปข้านแยงกับสังคมศาสนาพุทธกระแสหลักนะเขาไม่ให้มาอวด ที่จริงเรากำลังแสดงธ ร, รมเรากำลังยืนยันธรรมะกำลังพูดกันทางวิชาการเราไม่ได้มาแสดงละครนะขณะนี้ะ เ, เราทำความปกติที่เราทำอยู่นี้เป็นธรรมดามเรื่องสามัญปกติไม่ได้เป็นเรื่องแอคอาร์ตไม่ได้เป็นเรื่องเสแสร้งไม่ได้เป็นเรื่องสร้างดรา ม, มา่าไม่ใช่สร้างผลิตประดอยอะไรมันเป็นเรื่องศัจธรรมที่เป็นไปตามเรื่องสามัญ แล้วเราก็ศึกษากันแล้วเราก็ได้รับความรู้ความจริงกันเบิกบานร่าเริงใครเบริกบานร่าเริงมื่อฟังธรรมโอโหฟังธรรมมอธรรมมอันเป็นอภิธรรมมีฟังแล้วออืมันไม่ใช่ขันธรรมดาไม่ใช่ฟังโลกโลกได้บุญได้กุศลได้อะไรมารวยมาอะไรแต่อะไรมาสนุกสนานเปิดเพผยน้ามาทําพิธีการไม่มีพิธีการอะไรมากเลยอดีไม่ดีเหมือนเล่นเล่นทุเรไปใช่ไหมอัตมาธรรมเนี่ยมันเหมือนเล่นเล่นทุเรศไป ไม่ซีเรียสอะไรทําบนเทิงเริงลมดีบังโดยซ้ําไปให้มันง่ายๆแต่ไม่ใช่เอาเรื่องง่ายๆมาทําทเรื่องมักง่ายไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งนะเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่นะเรื่องลึกซึ้งเรื่องยิ่งใหญ่น ะ, นะเพราะฉะนั้นในระบบที่เราใช้แล้วเราทำเนี่ยมันเป็นระบบของพระพุทธเจ้าที่เป็นแบบคนจน เป็นการขาดทุนของเราคือการกำไรของเราตามที่พระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งองค์ทีมาพอพันธเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามที่พระโพธิสัตว์ในเมืองไทยขณะนี้ที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเล่นหรอกอาตมาพูดไม่ใช่พูดป่อยอไม่ใช่พูดปลาร์โลมไม่ได้พูดเอาดีเอาเด่นอะไรไม่ใช่เลยหรือว่ามีคนว่าอาตมาโหดสถาบันโหดสถาบันโหนหอ น, นหนูไม่ใช่พูดพยากรณ์ โหนคำนี้คือโหนทศนิยมของโลกเขาอะไปเกาะเกาะสถาบันไม่ใช่อัตมาเอาเอาความจริงมาขยายให้เห็นว่าประเทศไทยมันมีสิ่งอะไรประเสริฐมีสิ่งอะไรที่คุณควรจะรู้ว่าแต่คุณไม่เข้าใจคุณรับมุกรับรู้รับอะไรก็แล้วแต่รับสารรัฐรับสารประโยชน์รับคุณค่านี้ไม่ได้อะ ถ้ามีใครว่าะนกระแสจะต้องมีใครหนท่านเลยแต่านยังมีคนทซว่าพอเพียงไมรวยทไมไม่รวยัมีนานจะรวยนี่ซับซ้อนมันย้อนยังไปอะไรกลับอ่ถ้าโหวดกระแสต้องไม่มีใครํำหนิถ้าโหดกระแสคนจะทำหนี้น ต, นต่างหา ใช่ไหมตห้องโหนกระแสโหนในหลวงโหงสถาบันคนก็จะตําหนิต่างหากแต่นี้เขาบอกว่าถ้าโหนกระแสต้องไม่มีใครตาหนิแต่นี่มีคนตําหนิเขาว่างั้นกลับกันไปอีกสับซ้อนสองซ้อนเอาเอาละาคนที่พยายามไม่ใช่พยายามคนที่มีปัญญาความซับซ้อนเนี่ยมันจะซับซ้อนตีกลับไปอย่างนี้ดีไม่ดีมันกลับทั้งหลายหลารอบหลายตลบคนก็ยิ่งงงใหญ่เลยเอาไม่ไม่ต้องพูดต่อนะ ที่อาตมาพูดสิ่งนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านทรงงานท่านทรงงานเอาแบบคนจนท่านมาเสสละให้พระองค์เสสละอย่างจริงจังเลยแต่คนเข้าใจท่านไม่ได้ท่านอยู่ในฐานนาของพระเจ้าแผ่นดินท่านมีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านมีคนศรัทธาท่านมีสังคมอย่างประเทศก็จะต้องอะไรล่ะต้องมี ต้องให้ท่านน่ะต้องยกอระไรให้ต่างๆนา น, นาสารพัดซึ่งมันเป็นเรื่องของสังคมาศาสตร์ด้วยมันเป็นทั้งรัฐาศาสตร์ด้วยมันจะต้องเป็นเช่นนั้นในโลกแต่คนไม่เข้าใจโผกที่สุดตง่งคุณต้องเสมอภาคคุณต้องมาจนเหมือนกันคุณต้องมาเท่าเทียมกับประชาชนจะบ้าก็เป่าก็งม่รจะต้องมายกย่องจะต้องมาไหนต้องเท่ากัน พ่อคุณแม่คุณนี่คุณยกเท่าทุนใส่เสียนใส่กล้าวได้ไหมพ่อก็ดีแม่ก็ดีคุณยกเท่าทุนใส่เสียนใส่กล้าวได้ไหมคุณจะต้องให้มันเท่ากันกับคุณนะไหมพ่อแม่แค่นี้เราจมาคบเปรียบเทียบใช่ไหมพ่อแม่เราก็ยกใส่เสียษใส่กล้าวได้เพราะท่านมีบุญคุณแล้วนี่ท่านก็ต้องมีบุญคุณท่านมีบุญคุณจริงๆด้วยในระดับ พระเจ้าเป็นดินแล้วท่านกระทรงงานอย่างมีสิ่งที่เป็นประจักษ์สิทธิเห็นชัดๆไม่รู้กี่ปีมาแล้วพระชนชีพตั้ง8ปพรรษาไปแล้วพิสูจน์กันมาตั้งโหป่วยเจ็บก็ไม่ได้ยุดได้หย่อนแต่คุณก็จะสุดตรงสเสมอภาคสเสมอภาคในประเภทสเสมอภาคอันตรพันเสมอภา ค, ภาคยังไม่มีปัญญายัางไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเท่ากัน คุณว่านิ้วมือหนิ้วนี่เท่ากันไหมเท่าเท่าห้านิ้วเหมือนกันทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือความซับซ้อนนิ้วเหมือนกันเพราะเดนั้ น, นคนเสมอผ้าเหมือนนิ้วมือจห้านิ้วคุณต้องเหมือนกัน <c oughs> ใช่ทุกคนมีหนิ้วเหมือนกัน ยกเว้นนะคนจะมีหนิ้วคนจะมีสี่นิ้วไม่เกี่ยวคนไม่ค่อยไม่ซ่ามันนะไม่ซ่ามันคนซ่ามันก็มีเท่ากันหน้าที่ของนิ้วโป้งก็นิ้วโป้งหน้าที่ของนิ้วชี้ก็นิ้วชี้หน้าที่ของนิ้วกลางก็นิ้วกลางท่านเป็นนิ้วโป้งท่านก็หน้าที่นิ้วโป้งสิคุณจะให้นิ้วโป้งมาว่าเท่ากับนิ้วก้อยจะบ้าเลย ลีลามอาตามามันดุดหน่อยประชดก็แรงแรงหน่อยกระแทกก็กระแทกแรงแรงหน่อยเพราะอะไรเพราะคนทุกวันนี้มันหนาอตาตมาจําเป็นอ๋อทางโน่นบอกว่าอย่างหนาอ๋ออาตมาว่าหนาทางโน้นเลยสนับสนุนเลยว่ามันอย่างหนา <c oughs> ก็ต้องอย่างนี้มันสมสมการละเหตุปัจจัยท่านพยายามเผ ย, ยแผ่แต่มาท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาท่านว่าทรงงานมาก อาตมาก็รับลูกเอามาขยายความเพราะในหลวงท่านมีคุณธรรมเป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนาตรงกันกับของอาตมาอาตมาก็ทาอยู่ท่านของในหลวงท่านก็ทำกส่งสรงของท่านก็ส่งของท่านมาอาตมาก็ทาของอาตมาไปอยู่มันก็อันนึังเดียวกันมันก็ตรงกันอาตมาก็รับลูกมาแล้วก็ทำอย่างตั้งใจอุตสาหาภาคเพียร ก็ได้มาขยายผลท่านทรงงานหน้าที่ของพระองค์ท่านก็ทรงไปาอาตมากกรับมาในหน้าที่ของอาตมาเป็นพลเมืองซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาตําเนินตามรอยพระชุคนรบาดแน่แท้ตรงตรงแบบคนจนขาดทุนของเราคือกําไรของเรา ทำเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์พอเพียงเพราะงั้นอาตมาถึงเอามาแต่งประมาพิวาทอาเซราวาทปีนี้เนี่ยพศนี่เป็นของพศห้าเดเรยทันวาหาทันวานี่ก็จะต้องมีคำอาเซราวาทหรืออาเซรพจนี้นเพื่อที่จะย้ำยืนยันว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทรงดำรัสทรงพระจริยวัตรของพระองค์ ท่านทรงมาจริงๆแต่คนเข้าใจพระองค์ไม่ได้มีโครงการตั้งสี่พันกว่าโครงการและท่านก็ทรงให้ขาราชบริลพานหรือโพธ่ส่งเสริมโพธิ์ช่วยพระราชกิจอยู่ก็ทำไปก็ได้ขึ้นมาอย่างที่เป็นแต่มันไม่ขยายขึ้นมาสู่รัฐบาลไหนรัฐบาลไหนก็ ไม่ได้รับช่วงก็มาขยายผลให้มันสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะแต่ละอย่างที่สำคัญสาคัญเอามาทำบ้างเหมือนกันถ้าสนใจสนใจพระราชดำรัสสนใจโครงการของในหลวงแล้วเอามาขยายผลต้องวิจัยกันให้ดีทำความเข้าใจให้ดีขยายมาจริงจริงๆตามนั้นนะอัตมาว่างานบริหารบ้านเมืองเนี่ยประเทศไทยไปไกลโดยเฉพาะ ยิ่งสร้างภูมิธรรมสร้างภูมิปัญญาให้มีความเข้าใจในศัจธรรมหรือในธรรมะลึกเข้าไปเป็นโลกุตระอย่างที่ในหลวงเราสรงทรงอย่างที่ท่านตัดนั่นแหละแบบคนจนหรือขาดทุนของเราคือกำไรของเร า, เราหรือจะส่งตัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามนั่นแหละทำให้มันสอดคล้องตามศัจธรรมนั้นให้ได้เถอะ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกจะเป็นประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกขอขยายความว่าประโยชน์ต่อสังคมโลกคืออะไรประโยชน์ต่อสังคมโลกก็คือง่ายๆก่อนอื่นก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อสังคมโลกต่อใครๆในโลกที่จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยก็คือ ให้ประโยชน์แก่สังคมโลกอย่างที่พูดตอนต้นให้ประโยชน์คืออะไรประเทศไทยจะอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยจะมีผลผลิตผลผลิตที่เป็นของดีและก็จะให้แก่ประเทศอื่นๆเกือ้อกูลประเทศประยูนช่วยเหลือประเทศอื่นๆหรือแม้ขายก็ขายราคาถูกไม่ช่วยโอกาสขายราคาถูกมีน้ำใจซื่อสัตว์ ให้แก่ผู้อื่นแบบขาดทุนนั่นแหละสรุปง่ายๆขาดทุนให้แก่ประเทศอื่นๆถือเศรษฐกิจของโลกเลยมาเป็นมาตรฐานกลางเมื่อกิจตามคิดคิดตามเศรษฐกิจโลกอัตราของเศรษฐกิจโลกไทยขายขาดทุนราคาโลกประมาณราคาร้อยไทยขายแ80ดสิบเ0เจ็ดส้าเท่าที่ไทยจะอยู่ได้ ว่เหตุปัจจัยพออยู่ได้แต่ยืนยันว่าขายต่ำกว่าราคากลางของโลกอย่างนี้เป็นต้นหรือในเมืองไทยก็ขายต่ำกว่าราคาเศรษฐกิจราคากลางของประเทศแล้วเราก็ขายต่ำกว่าราคาของประเทศหรือให้ได้แจกฟรีได้ด้วยความสุจริตใจด้วยสละด้วยความสุจริตใจด้วยไม่ต้องการสิงตอบแทน ไม่สร้างอำนาจให้โดยไม่ไปสร้างอำนาจยิ่งใหญ่อะไรให้โดยเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจนี่คือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะมีแก่เขาและประเทศไทยจะเป็นประเทศรวยไหมไม่รวยแต่เหลือกินเหลือใช้แปลกไหมประเทศที่ไม่รวยแต่เหลือกินเหลือใช้แจกจ่ายเกื้อกูลคนอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะมีสมรรถนะและขยัน นี่เป็นทรัพย์ประเทศไทยจะเป็นคนที่มีทรัพย์คนของไทยคือคนที่มีทรัพย์คือความมีสมรรถนะความรู้ความมีสมรรถนะและความขยันไม่ขี้เกียจทาเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียงสร้างสรรค์อยู่ทุกวันไม่สะสมไม่เห็นแก่ได้มีสาธารณภคีเกือ้อกูลจรกันแบ่งกินแบ่งใช้และทุกคนกันมากน้อยสันโดษ ไม่เปลืองไม่พลันไม่รู้หลาฟูฟ้าไม่เหอไม่เข้าใจอบายะความเสื่อมยิงอบายะมุกยังไม่มีเลยในประเทศแม้อบายก็ไม่มีแม้แต่ไอ้โรคต่ำๆก็ไม่มีคำว่าโรคต่ำๆนี่ต้องขยายความวันนี้ไม่มีเวลานี่หมดละเวลาจะมันเริ่มเมื่อกี้นี่มันเริ่มเก้าโมงเท่าไหร่สิบเองเออเริ่มเก้าโมงสิบแล้ว อตาตมามากกว่านั้นนะอาสิบก็สิบมาหมด11บเนาทีตอนนี้10 10ิบนาฬิกาโอ้ย11เอนาฬิกานี่ยังไม่ตรงของอตาตมาสิบ 10, นาฬิกานกว่าแต่ไม่เป็ไรสิบเนี้ย0นาฬิกาก็ไปอีก10นาทีาประมาณนั้นนะถ้าประเทศไทยเข้าใจปรัชญาหลักแล้วก็ทำทฤษฎีหลัก ของในหลวงก็ดีของพระพุทธเจ้าก็ดีของศัจธรรมของาศาสนาพุทธนี่แหละอย่างเป็นประมัิอย่างเป็นสมาธิธิเพราะฉะนั้นถ้าเปิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทิมีพุทธศาสนกิกชนจะตั้ง 95% ้เนี่ยฟื้นศัจธรรมโลกุตรธรรมขึ้นมาได้เผยแผ่ความรู้นี้การศึกษาของไทยต้องเปลี่ยนมาให้เป็น เน้นสินเด่นเป็นงานชานวิชาอย่างที่อาตมาพาทำขออภัยเถอะพูดไปเหมือนกับตัวเองยกใหญนะ่คือให้มีคุณธรรมทางพุทธธรรมให้ได้เป็นศีลธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์ให้เกิดจริงได้ความรู้ทางโลกไม่ต้องกลัวเลย ว, ว่าจะไม่ทันเขามาฟื้นศีลธรรมนี่ให้มากเมื่อฟื้นศีลธรรมนี่มากได้พุทธธรรมเป็นของจริงขัดเกลาจริงเกิดบุญกันจริง ทำให้คนเป็นอาริยบุคคลได้จริงประเทศไทยจะฟื้นจริงๆเลยอย่างน้อยคอร์รัปชันจะลดลงขี้โกงทุจริตจะลดลงการสร้างสรรค์จะมากขึ้นการแจกจ่ายเผื่อแผ่เกื้อกูลเศรษฐกิจจะลงไปสู่เป็นเศรษฐกิจราคาของถูกราคารือ คนต่างประเทศจะกลูกเกีืองกันเข้ามามานิยมของถูกของเท่าไรเราสร้างเท่าไรก็ขายหมดไม่ต้องไปออกนอกประเทศคนมันก็วิ่งมาซื้อเองอะไรต่างๆนานะโอ้ยพูดไปก็เมื่อยแล้วมันจะสบายมันจะอะไรเลยไม่ต้องไปโฆษณาชวนเทินเที่ยวไปเอาระเมงละครไปเอาขี้บูขี่มมามาเชิญชวนเที่ยวไม่เลยเอาสารัตถะที่เป็นสิ่งประเสริฐสิ่งต้องเป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นสิ่งดีงามอาศัย เป็นเครื่องจูงนําให้เข้ามาเอาเราไม่มีเวลาเอาไปขายต่างประเทศคุณมาซื้อเองเถอะมันจะวิ่งมาซื้อเพราะของกดถูกขอ ง, ของกดดีราคาถูกซื้อสัตว์มีน้ําใจปูไปเลยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลาไปทวงนี่นะเราขายสดกดชืออ่อเบื่อทวงปวดท้องเราไม่เอาเราขายสดน <nar> ะคนซื้อมาซื้อเลยซื้อสดแล้วก็อาไปเลยเราไม่มีเวลาไปทวงนี่ไปเวลาไปตามนะซื้อสดมีเท่าไหร่ก็ซื้อเอาสดสดแล้วเราก็หมดเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรกัน ไม่ต้องไปทวงกันไม่ต้องมาแย่งไม่ต้องไปจีงไม่ต้องมาผัดมาผ่อนมาชักดาบอะไรกันต้องมันจะสบายมากเลยเป็นเศรษฐกิจที่สุดยอดเลยอาตมาพูดลวกๆวกลวกลวกลว ก, ล ก, ลกในฟังดีๆเหรอว่นประเทศไทยจริงๆเป็นประเทศมหาอำนาจที่ไม่รวยดังที่บุญเจ้าท่านตรัสขอไปพ ร, ระเจ้าอยู่ท่านตรัสแล้วเราก็เอามาออกเนี่ยเราก็ไม่รวยเราก็พอช่วยตัวเองได้แล้วก็มีพอใช้ของเราเราก็วางเราโอ้โหทุกคําทุก คำทุกพระราชดํารัสทุกคํามันฟังแล้วมันสุดซึ่งสุดวิเศษนะไอ้รัวอย่างนั้นก้าวหน้าอย่างนั้นไอ้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นมันถอยหลังเข้าครงังไอ้เข้าครองถอยหลังอย่างน่ากลัวท่านพูดสุภาพท่านพูดไม่เหมือนกับโพธิลักษ์โพธิลักษ์น่ะออกจะโศกโดกออกพูดมันเหมือนดังแรงหยับหยบัแต่ท่านพูดสุภาพท่านตัดสุภาพข้อเถอ อาตมาก็ขอเป็นของอาตมาก็แล้วกันซึ่งอาตมาไม่มีใจลามกอะไรหรอกไม่มีใจหยาบคายอะไรหรอกมีแต่ความจริงใจใครจะเข้าใจใครจะเชื่อแล้วแต่ใครไม่เชื่อเขาไม่เป็นไรอาตมาเข้าใจว่าอาตมาสื่อแบบนี้อาตมาเป็นศิลปินอาตมาขอแสดงนัด จ, จากกีตาวาทิตะจะแสดงออกแบบเนี้อาตมาว่าอาตมาประกอบศิล์สืส่อด้วยนัด จ, จกักไตท่าทีลีลาซุ่มเสียงสำเนียงแบบนี้ คนเข้าใจง่ายดีเร็วอัตมาขอใช้อย่างนี้ก็แล้วกันไม่อนุญาตก็ใช่ใช้ตามความพอใจของอัตมานะเพราะฉะนั้นสังคมถ้าเผื่อว่าเข้าใจทั้งเศรษฐศาสตร์มันอยู่ในเรื่องของทั้งสังคมและอยู่ในเรื่องของเรื่องระดับการเมืองมันไม่ได้แยกกันหรอกเมื่อเราช่วยเศรษฐกิจทําเศรษฐศาสตร์แบบนี้สังคมก็เจริญ ถ้ามันมีหมู่กลุ่มขึ้นมาช่วยกันทํางานนี้มันก็เท่ากับบริหารสังคมเมื่อบริหารสังคมไปได้ในลัทธินี้ทิศธนีนี้แบบอย่างนี้วิธีการนี้มันได้ทั้งรูปทั้งนามมันได้ทั้งจิตวิญญาณมันได้ทั้งพฤติกรรมมันได้ทั้งการสร้างวัตถุและมีทั้งวิธีการเผยแพร่แจกจ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลแลกเปลี่ยนหรือให้แก่กันและกัน มันก็ครบสมบูรณ์ดีนี่เป็นสัจจะที่เราจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ใครจะทำอย่างอัตมาพาธรรมมังยกมือยอกมือแล้วนะอย่าถอยนะะถ่ายรูปไปแล้วมีหลักฐานถือวันนี้นี่เลี่ยงไม่เคยได้ เพราะว่ามีเออโครสเซอร์กิตเดอมีไม่ใช่มีไอ้กล่องวงจรปิดจับไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้เครื่องเทคโนโ ล, โลยีเดี๋ยวนี้มันดีมันจับได้ง่ายยืนยันได้สิ่งที่เราพูดนี่อาตมาสบายใจสบายใจเพราะว่าอาตมามั่นใจว่าอาตมาพูดในสิ่งที่ดีชักชวนกันมาทําในสิ่งที่ดีอาตมาสบายใจคนเขาใจไม่ได้ก็ เ, เห็นใจอะ เขาหาอัตมาพูดนี่ไปพูดเสียพูดทำลายพูดพลานพูดลมลางพูดก็ลมล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกอัตมาตรงลมลางแน่แต่สิ่งที่ดีอัตมาจะไปลมลางทำไมอัตมายืนยันดมามั่นใจว่าอัตมาไม่ผิดหรอกตรงนี้อัตมาก็ขอทำทำย่างใครไม่ให้ทำก็ดันทุรังทำอัตมาเนี่ยทำยิ่งกว่าพวกดันดารา เขาดันดาราอาตมาเนี่ยไม่ได้ดันดารานะดันอาริยะ <c oughs> อาตมาดันอารียะนะก็ขอทำนะอาตมารื่นเริงนะอาตมาแสดงธรรมก็รื่นเริงน ะ, เ พ, ะเพราะวะ่าอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้ทําสิ่งที่หนึ่งอาตมาไม่ได้ทําสิ่งผิดสองอาตมามั่นใจว่าอาตมาทําสิ่งที่ดีส อาตมามั่นใจว่าอาตมาทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดสอาตมาว่าอาตมาทำสิ่งที่เป็นดี ม, มารอย่างยิ่งเป็นอุปสงค์ของสังคมอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่สังคมประเทศไทยเท่านั้นสังคมโลกด้วยโลกต้องการธรรมะที่เป็นอารยธรรมเป็นซีวิลไลเซชัน เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษว่าซิวิลไลเซชันคือความเจริญอารยะเขาเรียกว่าอารยะอารยธรรมเขาก็ต้องการแต่อารยธรรมของแต่ละาศาสนาอารยธรรมของแต่ละละัทธิอารยธรรมของแต่ลหลักปรัชญาทางตะวันตกเขาอาตมาพูดข้างๆอยู่ว่าตะวันตกเขาเข้าใจว่ า, าศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาเขาเข้าใจว่าเป็นปรัชญา เพราะศาสนาพุทธไม่มีจิตวิญญาณเขาว่างั้นอัตมาแบบโอ้ยโตตอนมันละ่ะเฮ้ยพุทธนี่ละโตตอนมันละ่ะโตตอนมันของจิตวิญญาณเ น, เนื้อของจิตวิญญาณเลยตอนนี่คือเนื้อย่าอัตมาในชื่อตอนปู่อัตมาชื่อทิพเนเดช ปูอ่อาตมาชื่อติพเิตแต่ย่าชื่อตอนตอนมันเนื้อเนื้อตอนนี่แปลว่าเนื้อตาอาตมาชื่อพรหมสุรินย่ายชื่อบปาวปาวปาวันดีก็เป็นพว ก, พวกลูกเจ้าลูกนายเก่าๆลูกเจ้าสมัยเก่า เชื้อๆก็ไม่ได้เหมือนตาสีตาสาธมาธรรมีเท่าไหร่นะขาออภัยนะพูดไปเลยมอนยกตัวยกตนเหมือนแม่ทําเป็นโก้ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เลือเชื้ออะไรพวกนี้แล้วแหละมันเสถางไม่มีอะไรหรอกไม่มีอํานาจลิตอะไรหรอกมันไม่มีพลังอะไรไม่มีอิทธิพลอะไรหรอกก็พูดไปงั้น่เมือพูดยงใหญ่มาถึงก็เลยพูดเสฮิรุเนะพระเาะฉะนั้นถ้าเผยว่าประเทศไทยเราเนี้ยเข้าใจสิ่งที่ดี เข้าใจสิ่งที่มันควรฟื้นฟูและมาช่วยกันฟื้นฟูอย่าอายอย่าถือดีถือตัวอย่ามีอัตามาณมากเข้าใจให้ดีแล้วมาร่วมกันพลังสร้างสรรในประเทศไทยจะดีขึ้นเริ่มตั้งแต่มาเริ่มให้เป็นการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่มันได้ธรรมะเข้ามาเป็นหลัก แต่วความรู้กับคุณธรรมของเราจะเกิดถ้าปลองอัตมามั่นใจว่าเรื่องความรู้ไม่ไม่ตกโลกตามที่ในหลวงของเราตรัสเนยให้ปิดตําราที่ไปหลงไหลยึดถือตําราเนี่ยนั่นแนหะท่านตรัสนั่นแนหะจะไปหลงไหลตํารานั่นลนะ่ะฟังให้ดีๆท่านท่าตรัสไว้นะ่ะท่านปราบเรื่องไปหลงไหลติดตําราของอันอื่นให้จะติดตํารามาติดตํารานี่พระไตรปิฎกนี่ศึกษาให้แตก เอาตำราอันนี้ดีไหมเอ า, าศาสตราจารย์หรือาศาสตาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหลักดีมหมเออเอานี้ดีกว่าพูดไปพูดมาดูนาฬิกาแล้วมันสิบอ็โมงเกินสิบไปแล้วโอยเอาละอาตมา ก, กำลังกอดีอยากจะพูดมากกว่า น, นี้ก็มีแต่เวลามันหมดก็ต้องขอจบกันดื้อ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชนจากการฟังธรรมฟังเทศกันนี้จเจริญธรรมทุกคน วันนี้มีประชุมสถาถม